สี่บสามเหรอเกษีลบสามมีความสำคัญอย่างไรทำไมครูกายถึงได้พามาทำบุญในวนันนี้อ่ะลองตอบให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> นับถือพุทธศาสนากันหมดไหมในนี้หมดนะมีใครนับถือศาสนาอื่นไหมคริสต์อิสลาม ลามฮินดูศาสนาผีมีไหมศาสนาเจ้าพอ่อเจ้าแม่มีไหม ม, มีนะ <üğ ham> แล้ววันนี้มีความสำคัญอย่างไรในทางพุทธศาสนาอาความรู้รอบตัวนะนี่เรื่องราวของศาสนาที่เรานับถืออยู่นะ่นี่ เรานับถือสิ่งใดแล้วเราไม่รู้เรื่องของสิ่งนั้นเราไปนับถือได้ยังไง <c oughs> สิ่งที่เรานับถือเราจะต้องรู้เรื่องของสิ่งนั้นเป็นอย่างดีนะเราถึงจะนับถือได้ <c oughs> แสดงว่าการนับถือของเราโดยที่เราไม่รู้สิ่งที่เรากำลังนับถืออยู่นั้นเ <c oughs> ท่ากับว่าเรานับถือด้วยความงมงายแม้พุทธศาสนาจะเป็นศาสนาที่ดีที่แท้จริงก็จริงแต่เราไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ไม่เข้าใจเรื่องราวของศาสนา ไม่ได้รู้เรื่องราวที่มาที่ไปเนื้อหาและความสำคัญของวันวันนี้มันก็แค่การนับถือด้วยความวงมงายไม่มีสาระสำคัญอะไรเป็นการนับถือโดยอะไรโดยธรรมเนียมอ้าววันนี้เป็นวันเข้าพรรษาโอ้ปันปัน้นสุดยอดตอบถูก <c oughs> แล้ววันเข้าพรรษาเนี่ย มีความหมายยังไงปั้นปั่นการอยู่จำพรรษาในวัดสามเดือนสำหรับพิชิตสูงโอ้โหปั่นปั้นอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนปอสามเนี่ปออะไรปออะไรมอหนึ่งโอ้มอหนึ่งมอสาก็มีไม่ตอบเลยอุบอับอุบอิบกันอยู่นู่นไม่กล้าตอบ S <S <S <S เอระดับการศึกษามันต่างกันหรือว่าหลักสูตรทางการศึกษามันไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกกันได้หรือยังไงสแสดงว่าสถานาสถาบันการศึกษาในแต่ละที่นี่ก็ <S <S <S <S มีความแตกต่างกันไม่มีมาตรฐานเดียวกัน <S 2> <S 2> เนื่องด้วยว่าวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญในทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับพระสงฆ์โดยตรงและเชื่อมโยงไปถึงญาติโยมทั้งหลายที่เป็นผู้ดูแลพระภิกษุสงฆ์เนื่องจากเป็นฤดูการของการอยู่จำพรรษาคาว่าอยู่จำพรรษาเนี่ยพรรษามาจากคาว่าวัษสาวัษสา เรียกวาวัฏแปลว่าฝนเรียกว่าฤดูฝนเข้าคือวันนี้เป็นวันแรกของฤดูฝนฤดูร้อนสิ้นสุดเมื่อวานนี้บทสิ้นไปเมื่อวานนี้คือฤดูร้อนหมดมีวันนี้เป็นวันแรกของฤดูฝนพระุทธองค์ทรงบัญญัติการอยู่จําพรรษาสําหรับพระพิสุเพื่อไม่ให้พระพิสุจาริกคําว่าจาริกหมายถึงว่าเที่ยวไปหรือว่าจรไป เที่ยวไปแบบคนจรเที่ยวไปแบบไม่มีหลักแหล่งออกจากบ้านนี้ไปสู่บ้านโน้นจากบ้านโน้นไปสู่เมืองนั้นจากเมืองนั้นไปสู่ตำบลโน้นไปเรื่อยๆแล้วก็วนมาสู่ที่เดิมอย่างนี้ในรอบปีการที่ภิกษุไปสู่สถานที่ต่างๆโดยที่ไม่มีแหล่งพักพิงเป็นที่เป็นทางมันเลยเกิดปัญหาขึ้นว่าแม้ฤดูฤดูฝนที่ชาวบ้านทั้งหลายเขาทําไร้ไถนาเนี่ย พระพิสุก็เดินจาริกท่องเที่ยวไปในพื้นที่นาที่ชาวบ้านเขาทำไล่ไถนากันอยู่ปรากฏว่าพี่เหยียบข้าวกล้าที่เขาทำการปลูกในที่นานั้นทำให้ข้าวกล้าเสียหายชาวบ้านก็เลยร้องขอต่อพระพุทองค์ว่าขนาดนกมันยังทำรังอยู่ไม่ใช่บินไปอยู่ตลอดมันยังมีรังอยู่ทำไมพระพิสุ ไม่มีที่อยู่ทำไมต้องเที่ยวไปอย่างนี้ตลอดทำให้ชาวบ้านที่เขาผูกเข้าก้านั้นได้รับความเสียหายขอพระองค์จงให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยเถิดพรองค์ก็เลยประชุมสงแล้วก็บัญญัติเป็นการอยู่จำภาษาหมายว่าให้หยุดอยู่กับที่ไม่ต้องเที่ยวไปในฤดูฝ น, นวัษาแปล ว, ว่าฝนจากวัฏษาเป็นภาษาไทยคือพรรษา รำมาพันสาทีนี้ดูฝนเขานับกี่เดือนดูดูฝนนับกี่เดือน ส, สี่เดือนเอาแล้วทําไมต้องอยู่จำสามเดือนอ่ะก็เดูฝนมีสเดือนทาไมต้องอยู่จํ า, นะจาแค่สามเดือนอยู่กับที่อยู่จําพันษาแค่สามเดือนเพราะพระมีกิจที่ต้องทำเพราะว่า ม, ม, มันมีข้อจำกัดเวลา มีข้อจํากัดในการเข้าภาษาเอาอยังไงอีกใครมีข้อคิดเห็นอะไรอย่างอื่นอีกอมันมันน่าแปลกนะคือจริงๆก็ไม่แปลกเราต้องนํามาขบคิดว่าฤ ด, ดูกาลเน่ยมันจะมีอยู่4ี่ฤดูกาลเออมันมันจะมีสามฤดูกาลแต่แต่ละฤดูกาลจะมีอยู่สี่เดือนร้อนสี่เดือนฝนสี่เดือนหนาวสี่เดือนแต่ทําไมเวลาฤดูฝนอยู่จำพรรษาทําไมไม่อยู่จําถึงสี่เดือนทําไมอยู่จําแค่สามเดือน หลักๆมี ก, การอยู่จำเพื่อให้ภิกษุหยุดการเที่ยวไปหยุดท่องเที่ยวหยุดในการเดินแต่ก่อนเขาจะเดินเดินเที่ยวไปเพราะว่าหาภิกษุท่องเที่ยวไปอยู่อย่างนี้โดยทียม่มีไม่มีการหยุดและโดยเฉพาะในฤดูฝนการหาแหล่งพักพิงก็หายากเพราะฝนตกจะหาที่พักเช่นจะมาวักปักกดพักใต้ต้นไม้ซึ่งไม่มีที่มุงบังที่กันฝนได้ ก็เป็นความลําบากอย่างหนึ่งแล้วก็ทําให้ความเป็นอยู่ของภิสูจอาจจะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้วก็ลําบากในความเป็นอยู่อันนี้ความจําเป็นในเรื่องนี้ที่พวงทรงมองแล้วกรณีที่สองมีความจําเป็นในเรื่องของการถวายทยทานในระดับของชาวบ้านผู้เป็นอุบาสกบาสิกาภิกษุไม่ได้อยู่กับที่โยมประสงค์จะทําบุญก็ต้องรอว่าเมื่อไหร่พิสูจจะจาริกมาอีกครั้ง หรือจะเที่ยวมาอีกครั้งถึงจะได้มีโอกาสทําบุญพอพิสูจไปอีกก็ใจหายรู้สึกใจหายโอ้ท่านไปแล้วโอกาสทําบุญก็ยากอีกทีนี้ต้องรออีกการตั้งหน้าตั้งตารอคอยเนี่ยการรอคอยคือการทรมานใช่ไหม <laughs> ก็รู้สึกแค่อยากจะทําบุญก็ไม่ได้ทําอะไรที่เนี่ยพระองค์จึงเล็งเห็นว่าหากบัญญัติการอยู่จำพรรษาเนี่ยพิสษุอยู่ตลอด3ามเดือนฤดูฝนเนี่ยโยมก็จะได้เป็นโอกาสโอกาสที่สําคัญ ที่โยมจะได้ถวา ย, ยธิญาทานดูแลพระภิกษุสงฆ์และภิกษุสองฆ์อยู่จำํำภาษาจะต้องมีกุฏิเป็นที่พักพิงเป็นอ่าเป็นบัญญัติเลยว่าห้ามอยู่จำํำภาษาโดยที่ม่มีกุฏิบัญญัติเลยตายตัวเลยเพระาะฉะนั้นจะต้องมีกุฏิมีที่อยู่ชาวบ้านก็จะได้ทํากุฏิที่พักพิงเป็นเครื่องมุงบังกันฝนให้กับพระภิกษุภาษาลิบุตรบอกว่าเสนาสนะเหล่าใดที่ภิกษุ อาศัยอยู่แล้วฝนตกแล้วฝนจากชายคาสาดลงมาไม่เปียกหัวเขา่าเสนาส น, นั้นเหมาะแก่การทําความภาคเพียงฝนสาดเข้ามาแล้วไม่เปียกหัวเขา่าไม่ถึงหัวเขานะ่าโอเคใช้ได้ปราณนั้นก็ก็เราก็จะเห็นสภาพกุฏิที่ขนาดไม่ใหญ่มากนั่งแล้วฝนสาดแล้วไม่เปียกหัวเขา่าก็ถือว่าใช้ได้เซนาสนะคือที่พักอย่างนั้น เรามักจะเห็นในวัดป่าที่จะทํากุฏิที่มุงบางเล็กๆไม่ได้ใหญ่ส่วนมากพราป่าเขาจะนิยมทํากันอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้ก็เป็นตึกเป็นปราสาทผู้เจ้าการอนุญาตไว้เหมือนกันนะเรื่องตึกเรื่องปราสาทนี้ว่าอนุญาตให้ทำเรื่องตึกเนี่ยอนุญาตได้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องการอยู่ป่าจริงๆแล้วก็เอาแค่ฝนไม่สาดถึงหัวเขาสาระสาคัญก็คือ1นภิกษุ จะได้อยู่เป็นที่เป็นทางสองเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ถวา ย, ยธายทานอย่างเต็มอิ่มเป็นฤดูการของการทำบุญด้วยว่าชาวบ้านจะได้ทำบุญกันอย่างเต็มที่แต่ก็น่าแปลกว่าทำไมต้องอยู่แค่สามเดือนทำไมไม่อยู่ให้ครบสเดือน อาจจะเป็นพราะว่ามันเลยดิบดูที่ต้องเข้าต้องย่าต้องทำอยู่สักเดือนเปิดโปงมนดิบในดิบนนแล้ที่พระเจ้าให้อยู่จำสามเดือนเนื่องเพราะว่าเดือนที่สี่เนี่ยเอาไว้รับกระถินเอาไว้เอาไว้เดือนนึงเต็มเ็มเนี่ยเอาไว้ให้ภิกษุแสวงหาผ้าก่อนที่จะจาริกไปที่อื่นเอาไว้เอาไว้แสวงหาผ้าเดือนหนึ่งอ่ะต้องเปลี่ยนผ้าหาผ้าเปลี่ยนให้ตัวเองหลังจากอยู่จำพรรษาแล้วอย่างเงี้ย จึงมีการถวายกระถินไงเมื่อออกพรรษาเสร็จเป็นฤดูการ ท, ท, ท, ที่ที่ต้องมีในทุกที่มันจะต่อช่วงกันมาเลยพงจึงบอกให้อยู่จำามเดือนแล้วก็เดือนที่สีนี่ฝนมันอาจจะเป็นท้ายฤดูฝนใช่ไหมนะคือปลายฝนต้นหนาวฝนก็น้อยแต่ก็ยังพอมีแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีก็นะพกง์ก็บอกว่ายังไม่ควรจาลิกไปไหนให้สแสวงหาผ้าก่อนค่อยจาลิก ในเดือนสุดท้ายนั่นเดือนที่สี่นั่นเมื่อมีผ้าครบชุดเรียบร้อยค่อยจานลิกไปก็สุดท้ายก็คือเดือนที่ห้าถึงจะสามารถออกเที่ยวได้เข้าใจยัง <c oughs> ถึงบาง อ, อ้อมันก็จบแล้วในเรื่องพยัญรษา หมดแล้วแค่นี้แหละเลิกงั้นความหมายของจำภาษามีอยู่แค่นี้แหละจบไม่มีอะไรอีกนี่ยไม่มีพิเศษกว่า น, นี้หรือใครมีอะไรพิเศษนักเรียนครูกายถามปัญหาทางคําพ่าอาจา ร, รย์หน่อยเปิดโอกาสให้ถาม <c oughs> เรื่องราวทางศาสนาของเรานีแหละที่ต้องการอยากจะรู้ จำได้ไหมล่ะอธิบายเรื่องการจำพรรษาเมื่อกี้จำได้ยังจำได้แล้วต่อไปต้งตองตอบให้ถูกนะจะเป็นใครถามก็ตามต้องตอบให้ถูกเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธต้องรู้เรื่องของพุทธไม่ใช่ไปรู้เรื่องของศาสนาอื่นรู้เรื่องของพระเยซูเกิดจากขอกมา้าเนี่ยรู้แล้วพระเจ้าเกิดที่ไหนเจ้าชายศิทธรรเกิดที่ไหน เอ๊มีเสียงเราขึ้นมาได้ยังไงอ้าวพเจ้าเกิดที่ไหนใต้ต้นสาละก็ทำไมเด็กเนี่ยเก่งจังเลยเนี่ยเด็กเมืองเนี่ยเก่งจังเลยใต้ต้นสาละเกิดเม่เราเดินได้เจ็ดเก้าเป็นอย่างนั้นอามีดอกบัวผุดขึ้นมาอีกนุ่นจำเรื่องเราได้หมดเลยดีมากต้องยกผลประโยชน์ให้กับ ครอบครัวพ่อแม่ที่ดูแลดีให้ความรู้กับเด็กๆหนังสือเรียนก็มีสอนแต่เด็กไม่กล้าตอบหรือไม่ใส่ไม่ใส่ใจ ไ, ไม่ใส่ใจมาวัดมาทำบุญอย่าคิดว่ามาทำแล้วเอาแค่บุญศาสนามีอะไรให้มากยิ่งกว่าทำบุญเมื่อวานใครไปเวียนเทียนบ้าง เนี่ยเด็กๆ่กใครไปเวียนเทียนบ้างไม่มีใครไปนะเอาทำไมไม่ไปเวียนเทียนวันสำคัญอาสาละหบูชาในทางพุทธศาสนาฮะไปกับโรงเรียนแล้วอ๋อโรงเรียนพาเวียนมาแล้วจะพูดอะไรดีเนาะกับเด็กๆ ทางนี้เราก็พูดกันมาเยอะแล้วสมัยนี้ยังมีความจําเป็นในการใช้เทียนเข้าวพรรษาอยู่หรือเปล่าเป็นคําถามที่ดีมาก เ, เป็นคําถามระดับปัญหาอย่างหนึ่งของพุทธศาสนาเลยนะเรื่องเนี้แต่พุทธศาสนาหรือคนในศาสนาไม่ได้มองเห็นว่าเป็นปัญหาเขาบอกเอ้ามันเป็นปัญหายัางไงพระอาจารย์เทียน เอาไปถไวายในฤดูกันอยู่จําพรรษานอกพรรษาไม่ถวายใช่ไหมนอกพรรษาเราไม่ถวายเทียนใช่ไหมเราถวายเทียนในวันเข้า อ, อยู่จําพรรษาใช่ไห ม, ไมเราถวายเทียนเพื่ออะไรไฮะ <goddamn> อะไรนะถวาย LED ไม่เราถวายเทียนกันทําไมแต่มาก็ยังจะหาหาความหมายของการถวายเทียนอยูอยเ่เหมือนกัน โอเคเราพูดถึงสมัยก่อนนั้นแน่นอนสมัยก่อนมีความจำเป็นใช่ไหมเพราะไม่มีแสงสว่างไฟฟ้าไม่มีใช่ไ้มนั่นคือความจำเป็นสูงสุดที่จาเป็นจริงๆคือเทียนแต่ยุคนี้มีไฟฟ้าหรือยังมีสิ่งที่ทดแทนแสงสว่างหรือให้แสงสว่างในเวลากลางคืนได้หรือยังมีแล้วแล้วเทียนมีความจำเป็นไหมเอายางงี้ดีกว่าเทียนแท่งขนาดนี้นี่ เทียนแท่งขนาดนี้สูงเป็นเมตรเนี่ยสองเมตรเนี่ยแท่งละเท่าไหร่แท่งละเป็นพันเวลาเราเอาไปจุดเทียนเนี่ยเพื่อให้แสงสว่างจุดเทียนให้แสงสว่างราคาหนึ่งพันแล้วก็จุดทิ้งไว้อย่างงั้นจนให้มันละลายไปเรื่อยๆละลายแท่งคนไม่จนหมดกับเปิดเปิดสวิตไฟเนี่ยถึงพันไหม เปิดไฟฟ้าหน่หลอดหึ่งไม่ถึงพัน อ, อันนี้ทั้งเปิดไฟฟ้าทั้งจุดเทียนไปด้วยกันพเพลืองทังสองเท่านั่นคือสิ่งที่ทำไมเราไม่รู้จักคิดกันเมืม่อเราไม่รู้จักคิดในส่วนนี้แล้วมันก็เลยกลายเป็นความงมงายเราบอกประเพณีประเพณีเนี่ยกับศาสนามันทำไมไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ศาสนาไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านั้นศาสนาไม่ได้ต้องการสิ่งที่ทําแล้วเป็นไปเพื่อความวงมงายหรือเป็นไปเพื่อทําอะไรแบบสิ้นเปลืองและนํามาซึ่งความเสียหายแก่ทรัพย์สินเงินทองพุทธศาสนาเป็นศาสนาของปัญญาทําให้เราเกิดปัญญารู้และทําความเข้าใจแล้วบางคนก็ถวายผ้าอาบน้ําฝนถวายกัอยู่นั่นแหละทุกปีทุกปีทุกปีภ้าเอาน้ําฝนกองพเนจรเทินทึกในแต่ละวัด ออกภาษาถวายผ้ากระถินหลังจากนั้นก็ผ้าปา่าผ้าเนี่ยมันรับได้เกือบจะทุกดูดูการอยู่แล้วทั้งผ้ากระถินทั้งผ้าปา่าทั้งผ้าอาบน้ําฝนผ้าแม้จะรับผ้ามาเป็นร้อยผืนช้าจริงๆก็ได้ผืนเดียวในฤดูฝนนั้นและอีกเหลือเนี่ยไปไหนรู้ไหมไปไหนรู้แต่ไม่ไม่กล้าพูดอยู่นี่มันมีร้านสังขาพันธ์รอรับอยู่อะ จริงๆนี่คือเรื่องจริงมีร้านสังฆพันธ์มาถึงวัดเลยในฤดูการอยู่จำํำภาษาวันนี้แหละที่เขาถวายผ้าถวายผ้าอาบน้ําฝนถวายเสร็จเหลือเป็นเป็นปึกเป็นปึกปึกปึปึกปึปปก็กลับไปสู่ที่ลรังสังฆพันธ์นั่นแหละแล้วสังฆพันธ์ก็อ้าวซื้อถวายผ้าอาบน้ําฝนกับผ้าพิสุคนก็ไปซื้ออีกก็มาถวายอีก มันคืออะไรรีไซเคิลใช่ไหมก็ดีรีไซเคิลเท่าที่พูดถึงในแง่มุมนั้นแต่ความจําเป็นเราต้องคิดกันบ้างไม่ใช่แต่ว่าเอาว่าประเพณีเข้าภาษาแล้วถวายผ้าอาบนหวนถวายภาพน้ําฝนคิดกันบ้างว่าจําเป็นจะใช้หรือเปล่าหนึ่งเทียนสองผาอาบน้ําฝนแล้วเทียนไม่ใช่แค่แท่งเดียวที่เอาไปถวายนะคู่นึงต้องถวายคู่นึงนะแท่งเดียวไม่ได้ เดี๋ยวไม่มีคู่เดี๋ยวโส ด, ดอาอจริงๆไอ้คนทั้งหลายหาคู่ไม่ได้เนี่ยเอาเทียนพรนษาเป็นคู่เป็นคู่ไปถวายในเวลาจําพรษามีคู่เขาถือเคตอย่างนั้นก็มีมแล้วก็จุดที่นี่จุดสองอันบ า, บางวัดไม่ได้จุดสองสองแท่งนะสี่แท่งห้าแท่งหกแท่งจุดทิ้งไว้อย่างนะั้นตลอดสามเดือน หมดแล้วต่อมาแท่งมาจนครบสามเดือนมอดแล้วต่อมา อ, อ, อ, อย่างนี้ประโยชน์ของเทียนคือให้แสงสว่างเมื่อเรามีแสงไฟอยู่แล้วเทียนไม่มีความจําเป็นเขาบอกจุดบูชาพระพุทธเจ้าเอาทีนี้เรามาคิดดูกันว่าจุดเทียนบูชาพระพุทธเจ้าถามจริงๆว่าพระพุทธเจ้าต้องการเทียนเป็นเครื่องสักการะบูชาหรือเปล่าอย่ามาแต่พระพุทธเจ้าเลย เอาเทียนมาจุดตั้งอยู่ต่อหน้ า, าตามาเพื่อบูชาตาม า, าตามามันจะยันทิ้งไปนูน่นนะจะเอามาจุดบูชากันทําไมเทียนแค่นี้มันบูชาตรงไหนมันได้อะไรเขาบอกเอ๊ะทาไมพระอาจารย์พูดอย่างนี้ก็พูดอย่างงี้มานานแล้วนะบางบางคนนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจนักเรียนเนี่ยนักเรียนภูกายเนี่ยต้องให้ครูกายที่บายอีกในี่ายหลัง <c oughs> อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะพระอาจารย์ทำไมพูดอย่างนี้ อะไรก็ตามที่มันไม่มีความจำเป็นอย่าอย่าเอามาแต่ที่นี่จะใช้เทียนที่โยมเอามาถวายเนี่ยไปจุดตามทางเดินจงกรมเพราะเราไม่สามารถต่อไฟไปที่ทางจงกรมได้ในปา่าในที่มันลกๆก็กจะเอาเทียนที่ให้โยมมาบางทีหันสูงๆเนี่ยหันออกเป็นสามท่อนถ้ามันใหญ่มากสูงมากหันออกเป็นสามท่อนแล้วก็จุดตั้งไว้เป็นสามจุด ไปจงกรมกลางจงกรมแล้วก็ท้ายจงกรมท้ายทางเดินนะเพื่อให้แสงสว่างในขณะที่เดินเพราะอยู่ในป่านั่น่ะเรามองไม่เห็นสัตว์ที่มันตายมาเดินก็หากไม่มีเทียนไม่ให้แสงสว่างเดินเหยียบสัตว์ตายก็มีบางทีงูตัวเล็กๆเดินผ่านมาเดี๋ยวเราก็เดินเหยียบไปอย่างนั้นแหละเช้ามาไปดูที่ทางจงกรมมันก็ตายอยู่ในทางจงกรมนั่นหวัวเละหมดเลยเดินเหยียบหวัวมัน ก็มีเป็นอย่างนั้นนั่นคือการใช้ประโยชน์ของเทียนอย่างแท้จริงไม่ใช่มาจุดอยู่หน้าพระและบูชาพูดอย่างนี้คนที่นิยมในประเพณีเขาก็ไม่ไม่ชอบใจพูดอย่างี้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงไม่ชอบใจอย่างนี้ถามวาที่นี่รับไหมเทียนรับและไม่ใช่รับตอนฤดูกาลเข้าพรรษารับทุกฤดูกาล หากมียมมาถวายพ่อเอาไปจุดทางเดินจงกรมแต่จะไม่นํามาจุดบูชาพระอย่างนี้จะไม่มาจุดบูช า, า, ม, ม, ม, า, ชามันไม่มีความจําเป็นในการจุดบูชาพุทธศาสนาเป็นศาสนาของความรู้แต่ปรากฏว่าศาสนาแห่งความรู้เนี่ยเราได้นําความงมงายเข้ามาแทรกในศาสนาแห่งความรู้ของเราความงม ง, งายเข้ามาแทรกแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการยึดถือผิด ทำให้คนรุ่นล่นหลังเนข้าใจว่าการจะบูชาพระพุทธเจ้าต้องทําอย่างนี้เท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้เราถูกตีกรอบไว้แล้วกรอบก็ครอบงําเราไว้ให้ทําเราก็ไม่อยากจะทํานอกเหนือไปจากกรอบที่เขากําหนดไว้เพราะถ้าออกจากกรอบที่เขากําหนดไว้เขาจะเรียกคนที่ออกนอกกรอบว่าอย่างไงนอกบเนี่ยเมื่อ เมื่อสังคมกําลังออกแบบคนในพุทธศาสนาให้คิดแบบเดียวกันให้ทําแบบเดียวกันให้มีพิมพ์เดียวกันมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดการอ่อนแอทางจิตวิญญาณจิตวิญญาณไม่พัฒนาสติปัญญาไม่พัฒนาไม่มีใครคิดนอกออกไปอย่างนี้ได้ถ้าคิดออกออกนอกไปอย่างเนี้ยผิดมิตรคิดว่าผิดผิดผิดผิดผิดเพราะคิดออกไปจากนอกที่เขาตีกรอบไว้ให้ไม่ได้ อ่อนแอลงอ่อนแอลงอ่อนแอลงพัฒนาจิตใจตัวเองไปไม่ได้เพราะนี้ออกจากกรอบไม่ได้ในครั้งพิกกรุกัรทำเนียมปฏิบัติ ด, ดั้งเดิมของอินเดียเขามีชนชั้นวัณณนะตีกรอบคนในชนชั้นวัณณะไว้ตีกรอบจันทานว่าไม่สามารถเข้าร่วมบริโภคอาหารกับพราม์ได้ตีกรอบไว้ย่างนั้นคือกินอาหารด้วยกันไม่ได้หมายถึงว่าพรามเนี่ยเวลาบริโภคอาหารเสร็จเรือแล้วจะแบ่งปันให้กับ วันนจันทาไม่ได้ไม่ได้เลย mm hmm. ผิดเขาถือว่าผิดต้องให้พามให้พูดที่เป็นพามกับพรมเท่านั้นถึงจะไม่ผิดพ mm ุระเจ้าแหกกรอบที่เป็นอยู่ในเวลานั้นนะแล้วพระเจ้าก็ทําลายล้างประเพณีที่เป็นอยู่ในเวลานั้น mm hmm. พระองค์สามารถแบ่งปันอาหารของพระองค์ให้กับจันทานได้ mm hmm. คนที่ต่ําสุดนะจันทานอี่คือว่า เ ป, เป็นชั้นต่ําสุดพวกองบอกว่าเราต่างก็คือมนุษย์เหมือนกันมีจิตวิญญาณเหมือนกันทําไมเราต้องแบ่งแยกความต่ําความสูงไปแบ่งแยกกันทําไมทั้ ง, งที่ธรรมชาติไม่เคยแบ่งแยกใครต้นไม้มีหลายสายพันธุ์มันเคยแบ่งแยกกันหรือเปล่าไม่เคยต้นไม้ไม่เคยกดขี่ขมเหงกันมันก็เติบโตไปด้วยกันต้นเล็กก็เติบโตต้นย่า ก, ก็เติบโตเพราะฉะนั้น ต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่าต้นไม้นั้นจะดีกว่าต้นหญ้าคาที่เกิดอยู่เหนือพื้นดินไม่กี่เมตรต้นไม้ที่สูงใหญ่ก็ไม่ได้จะดีกว่าต้นหญ้าต้นหญ้าคาเขาเท่าเทียมกันหมดพระเจ้าบอกว่าคนเราจะดีเพราะการกระทาจะเลวเพราะการกระทาเนี่ยคือความจริงเพราะนั้นการกระทาจึงเป็นใหญ่ที่สุดอย่างอื่นไม่สามารถเป็นใหญ่เหนือการกระทาได้ เพราะชีวิตทุกชีวิตต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำแท้ที่จริงแล้วมันมีกฎแห่งการกระทำเนี่ยครอบงําเราอยู่แต่ไม่ใช่ครอบงําทําให้เรารว่าไม่ได้ครอบงาทําให้เราอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมนะแต่ครอบแต่แต่ครอ บ, อบการกระทาทุกอย่างของชีวิตของเราเนี่ยตั้งแต่กายกรรมวจีกรร ม, มโมกรรมเนี่ยมันครอบทุกอย่างเพราะเราจําเป็นต้องอาศัยกรรมเป็นการกระทาในโลกนี้เพราะกรรมแปลว่าการกระทําเราต้องอาศัยการกระทำเราจึงเป็นอยู่ในโลกนี้ได้ พอเราเกิดขึ้นมาแล้วมานั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยจะมีชีวิตเป็นไปได้อยู่ไหมนั่งอยู่เฉยๆไม่สามารถมีชีวิตเป็นไปได้ใช่ไหมเราต้องทำมีการกระทาเราจึงถูกความรู้จึง ส, อ, สอนให้เรารู้จักกระทาเราจะกระทำได้ไยงไถ้าเราไม่มีความรู้เราจึงเรียนรู้ต้องมีค ร, รูสอนนักเรียนอย่างเงี้ยให้เกิดความรู้เพื่อที่จะเอาความรู้ไปกระทำการเลี้ยงชีพให้ตนเองเป็นไปได้เนี่ยคือความจริงนี่คือหลักสัจจะ แต่ผู้ชมไม่หยู่ภายใต้การกระทําหรือกฎแห่งกรรมอย่างนี้ไปตลอดชีวิตพวกบอกว่าเราสามารถอยู่เหนือกรรมได้อยู่เหนือกรรมคือไม่ต้องกระทาอะไรเหลยไม่ใช่การอยู่เหนือกรรมหมายถึงว่าการยุติการสืบต่อผลแห่งการกระทาที่จะเป็นไปในภายภาคหน้าเพราะเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์กระทําสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นจะต้องส่งผลเป็นไปในภายภาคหน้าสําหรับชีวิตมนุษย์ ทำดีส่งผลดีทำไม่ดีส่งผลไม่ดีนี่คือกฎตายตัวเมื่อชีวิตของมนุษย์จะต้องเป็นไปนลักษณะการรับผลของกรรมอย่างนี้อยู่เรื่อยๆตายปุ๊บก็ต้องเกิดขึ้นมาด้วยวิบากแห่งกรรมคือการส่งผลของการการะทำกรรมดีส่งผลเกิดในทางดีกรรมไม่ดีส่งผลเกิดในทางที่ไม่ดีแล้วพอเกิดก็ทำกรรมอีกกรรมก็ส่งผลอีกเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายเกิดตายอันนี้เรียกว่าอยู่ภายใต้การครอบงาของกรรม แต่พระพุทธเจ้าเราเป็นผู้ตั้กรู้ความจริงจึงรู้วิธีการอยู่เหนือกรรมคือไม่ให้กดแห่งกรรมนี้ครอบงําให้คนผู้นั้นไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายไปเกิดไปตายเกิดแล้วเกิ ด, ต า, กดตายเล่าอยู่อย่างเงี้ยจนไม่มีที่สิ้นสุดพงษ์บอกว่าเราสามารถยุติการเกิดได้โดยการหยุดกรรมหยุดกรรมไม่ใช่หยุดการการะทําแต่หยุดการสื่อต่อของการการะทํา หมายถึงว่าเรากระทาอะไรก็ได้แต่อย่าให้สิ่งที่เรากระทานั้นเป็นไปเพื่อการสืบต่อกรรมทํำยังไงถึงจะไม่สืบต่อกรรำผู้เจ้าบอกว่ากระทําจิตให้รับทราบพระนิพพานเพราะกระแสแห่งนิพพานเป็นกระแสแห่งการดับกำเมื่อเราสามารถทําจิตของเราให้สัมผัสกับนิพพานได้กำรรทั้งปวงเจยุติทีนี้ในวิถีชีวิตปกติของพวกเราเนี่ยจิตของเราเชื่อมโยงอยู่กับกระแสแห่งกรรมตลอดเวลาเราคิดจะทํานู่นเราคิดจะทํานี่ เราคิดจะอะไรมีเรื่องต่างๆที่กําหนดไว้ในใจว่าจะ ก, กระทําเช่นวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นของการทําบุญแล้วหลังจากเสร็จสิ้นของการฟังธรรมแล้วออกไปจากนี่แล้วก็คิดที่จะไปนั่นไปนี่อีกแล้ววันหยุดที่ไหนละ่ะที่เราจะต้องไปช้อปปิง้งอันอันดับแรกที่คิดว่านะนี่นี่มันเชื่อมต่อกันไว้แล้ว เชื่อมต่อกับใจก็เราไว้แล้วใจเราก็ถูกดึงไปให้กระทําในสิ่งเหล่านั้นทีนี้หากจิตดวงใดก็ตามเชื่อมต่อกับพระนิพพานอยู่จิตดวงนั้นจะตัดทรการส่งผลของกรรมไปตามลําดับพระโสดาบันมีจิตเชื่อมต่อกับพระนิพพา น, น, นกระแสะแห่งพระนิพพานจะตัดการส่งผลของกรรมในภพที่8แต่ยังต้องเกิดอีกเจ็ดภพแต่ภพที่8ดจะไม่ได้ไปเกิดอีก หมายถึงว่ายุติการเกิดในภพที่8ก็จะย่นระยะออกมาเหลือเจ็ดภพเจดชาติเจ็ดหกห้าี่สามสองหนึ่งย่นมาเรื่อยๆ เ, เป็นพัสกาธาคารมีต้องเกิดอีกหนึ่งชาติกระแสแห่งวิธีพานนั้นสามารถตัดผลการสืบต่อแห่งกรรมที่เป็นไปในภพเหลือหนึ่งชาติถ้านาคามีตัดผลการสืบต่อแห่งกรรมที่เป็นไปในกรรมมาภพทั้งหมดเหลือแต่สุทาวาตภพภพของผู้บริสุทธิ์ หมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้ดำรงหรือการเกิดขึ้นของพระอนาคามีนั้นไม่ได้ดำรงอยู่ในสภาพแบบมนุษย์แต่ดำรงอยู่ในสภาพของความเป็นพรมที่บริสุทธิ์เมื่อพระอนาคามีทำกระแสพระนิพพานให้แจ้งผลแห่งการพระนิพพานที่แจ้งนั้น่ะจะดับพบในอนาคามีทั้งหมดไม่ให้จุติไม่ให้เกิดเาเรียกว่าดับสดิทสภาพที่เรียกว่าดับสนินั้นแะคือนิพพาน คือสภาพที่ดับพกไม่มีการเกิดขึ้นอีกอันนั้นก็เรียกว่าอยู่เหนือกฎแห่งกรรมทั้งปวง mm hmm. เห็นไหมพุทธเจ้าเราเป็นเป็นผู้ทำลายสิ่งที่ครอบงำจิตใจมนุษย์ mm hmm. อะไรก็ตามที่ตีกรอบและครอบงำเราอยู่จงจำไว้ละสิ่งนั้นน่ะ mm hmm. กำลังจับบัณพรการพัฒนาทางจิตใจของเรา mm hmm. เราถูกสอนให้เชื่อมาโดยตลอด ในเรื่องต่างๆในสิ่งที่บางสิ่งเราไม่สามารถที่จะใช้เหตุผลลองรับได้ในบางเชื่อบางความเชื่อนั้นทำให้เรางมงายจนจนแยกข้อเท็จข้อจริงในสิ่งที่เราก็ทำไม่ออกว่าสิ่งนั้นเป็นจริงเป็นเท็จได้อย่างไรหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแม้จะมีอยู่แต่ขาดคนนามาสู่การอธิบายหรือบอกกันให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แน่นอนว่าจิตของพวกเราก็ต้องตกไปสู่วิถีแห่งความงมงายอยู่เสมอเพราะเราไม่อยู่ร่องรอยของเหตุผลสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตไปไปตามเหตุผลได้พรธเจ้าจะพูดถึงญาณทัศนะญาณทัศนะหมายถึงว่าความรู้กับความเห็นญาณนี่กำกับไว้ตายตัวว่ารู้ตามความเป็นจริงทัศน์ก็กากับไว้อีกว่า เห็นตามความเป็นจริงความรู้ตามความเป็นจริงหรือเห็นตามความเป็นจริงนี่เองจะทำลายความงมงายและจะทำให้เราอยู่กับเหตุผลความรู้ตามความเป็นจริงและความเห็นตามเป็นจริงนี้จะทำให้เหตุผลมีคุณค่ามากขึ้นหมายถึงว่าเหตุผลสามารถใช้ได้ใช้ได้จริงแต่ถ้าคนใดก็ตามไม่มียานักศานะคือไม่มีความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงเ่เหตุผลจะใช้ไม่ได้กับเขาและทาให้เหตุผลกลายเป็นข้ออ้าง ในสิ่งที่มนุษย์จะกระทำหมายถึงว่ามนุษย์เราเวลาทําอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความงมงายเนี่ยมักจะหาเหตุผลเป็นข้ออ้างในการกระทาสําหรับตนเองอยู่เสมอมันมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้คล้ายๆกับว่าเรามีเหตุผลของเราที่เร า, เราต้องทําอย่างนั้นบูชาพญานาคเขามีเหตุผลอะไรในการที่ต้องทําอย่างนั้นถามว่าผิดไหมไม่ผิดอะ่ะใครอยากจะบูชาอะไรก็บูชาไปแต่ในด้านของพุทธศาสนาเรียกว่าทัศนคทางพุทธศาสนาเนี่ย บอกว่าการไปทําอย่างนั้นไม่ใช่เหตุผลแต่คนที่เขาไปกราบไหวพญานาเขาก็มีเหตุผลนั่นหมายถึงว่าเขาใช้เหตุผลไปในด้านความงมงายสร้างเหตุผลเป็นไปเพื่อความงมงายแต่แท้ที่จริงแล้วตัวของเหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่ตัวความงมงายตัวแห่งของเหตุผลคือเรื่องราวของสัจจะเป็นเรื่องราวของความจริงเหตุผลในทางพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นเหตุผลเพื่อเอาไปลองรับในการกระทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเป็นความงมงายในสิ่งนั้นเหตุผลในทางพุทธศาสนาพระองค์สอนว่า มันมีเหตุมันจึงมีผลนี่คือเหตุผลในทางศาสนาเพราะมีเหตุจึงมีผลแต่พลจะใช้เหตุผลนอกหลักการทางศาสนาเพราะมันมีความงมงายครอบงำอยู่มาเลยใช้เหตุผลไปนในเรื่องของการเป็นข้ออ้างเพื่อจะจิการธรรแต่นี้พระเจ้าจึงบอกว่าเราจะสามารถเข้าสู่หลักของเหตุผลได้เราจะต้องมีญาณทัศนะพูดเย็นเด็กพอจะเข้าใจไมเนี่ยเด็กๆเนี่ย พอจะเข้าใจกันหรือเปล่าเนี้ ย, ยานทัศนรู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงพระอาจารย์จะยกตัวอย่างการรู้เห็นตามความเป็นจริงยกตัวอย่างว่าแดดมันร้อนหรือมันเย็นร้อนการที่เรารู้ว่าแดดร้อนเนี่ยชื่อว่ารู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมจริงนะฝนเนี่ยมันเปียกหรือมันแห้ง การที่เรารู้ว่าฝนมันเปียกเนี่ยเป็นการรู้ตามความจริงใช่ไหมถูกต้องไหมอากาศหนาวเนี่ยมันเย็นหรือมันร้อนเย็นการที่เรารู้ว่าอากาศเย็นเนี่ยมันรู้ตามความจริงใช่ไหมอันนี้เรียกว่าญาณเข้าใจไหมเรียกว่ารู้ตามความจริงเอ้าอย่างนี้ทุกคนก็มีญาณทุกคนสิมีญาณทุกคนแต่เป็นญาณแบบอ่อนๆคือเป็นการรู้ตามความจริงแบบอ่อนๆนะ ทีนี้จะขยับขึ้นมาอีกว่าเอาความเป็นจริงเรามีพื้นฐานแล้วทุกคนเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายใช่ไหมทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายใช่ไหมมีใครเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมการที่เรารู้ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายนี้เป็นการรู้ตามความเป็นจริงใช่ไหมแต่ทุกคนอยากตายไหมการที่ทุกคนไม่อยากตายแสดงว่าขัดแย้งกับหลักความเป็นจริง แล้วจะพยายามหาเหตุผลทุกอย่างเพื่อทำตัวเองไม่ให้อยากตาย <c oughs> ไม่อยากจะตายนั่นคือไปสร้างเงื่อนไขและเหตุผลใหม่ขึ้นมาในความหมายของเหตุผลของพุทธเจ้าก็คือว่าเมื่อแดดออกมันต้องร้อนเมื่อฝ น, นตกมันต้องเปียกเมื่อความหนาวมาก็ต้องเย็นเพราะมีเหตุอย่างนี้จึงมีผลอย่างนี้เมื่อมีเกิดต้องมีตายมันเป็นเหตุเป็นผลอย่างนี้เข้าใจไหมแต่ที น, นี้ คนที่ไปบูชาพญายนาคเขามีเหตุผลว่าบูชาแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองชีวิตจะมีโชคชีวิตจะร่ำรวยชีวิตจะมีสิ่งดีดผ่านเข้ามาแล้วเมื่อทำแล้วชีวิตก็ดีจริงๆอันนั้นเป็นเหตุผลไหยอันนั้นเป็นหววเหตุผลหรือเปล่าเป็นความเชื่อเขาต้องแยกให้ออกนะความเชื่อกับเหตุผลต้องแยกให้ออกนะความเชื่ อ, อ น, นี้ยังไม่ใช่ความจริงแต่เหตุผลนี่คือความจริง มีเกิดจึงมีตายอันนี้คือความจริงใช่ไหมเหรออันนี้อันนี้คือความจริงแต่ความเชื่อว่าบูชาพญานาคแล้วจะร่ำรวยอันนี้คือความเชื่อไม่ใช่เหตุผลเข้าใจไหมการที่เขามีความเชื่อว่าบูชาพญานาคแล้วชีวิตจะดีขึ้นอันนั้นเป็นเงื่อนไขแต่เขาก็บอกว่าเป็นเหตุผลเพื่อที่พระเจ้ากระทำ ถามว่าเอาพระอาจารย์ที่พูดถึงเขาทําไมก็พูดเป็นตัวอย่างให้ฟังว่าหากตราบใดก็ตามที่เราไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเราจะทําลายเหตุผลด้วยตัวของเราเองแล้วเราจะไม่เรียกร้องเอาเหตุผลให้กับตัวเองเราเรียกร้องไม่ได้เพราะชีวิตเราไม่ไเป็นตามเหตุกับผลเราจะเจริญในชีวิตของเราด้วยอะไรโดยหลักแห่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเจริญชีวิตชีวิตเราจะเจริญด้วยอะไร เหตุของความเจริญของชีวิตคืออะไรเหตุของความเจริญของชีวิตคืออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าบูชาพยนาคเสร็จกูมานั่งกินนอนกินกูไม่ต้องไปทำการค้าขายไม่ต้องทำการงานอะไรอย่างเงี้ยชีวิตดีขึ้นไหมเอานั่งกินนอนกินไม่ดีเหรอสบายจะตายไม่ดีนะทำไมถึงไม่ดีขัดกับหลักความเป็นจริงเข้าใจไหม จำไวละยานธัศนะนั้นคือเรื่องของความจริงยานคือเรื่องของความจริงแดดต้องร้อนฝนต้องเปียกอากาศหนาวต้องเย็นนี่คือความจริงเข้าใจไหมหิวข้าวแล้วไปจุดธูปจุดเทียนบูชาพญานาะคจะหายหิวไหมหิวข้าวต้องทำอะไรไต้องกินอะไรไ ม, ไม่ใช่กินสาหลายนะ ไม่ใช่กินมาม่านะแอ้วทำไมเห็นกินมาม่ากันตั้งเยอะหิวข้าองงวอะฮะอันนี้ผิดหรือเปล่าไม่มีเหตุผลแล้วมั่งเนี่ยหิวข้าวต่ไปกินมาม่าเนี่ยเด็กงง <c oughs> กะถูนไ้แหละกินอะไรก็ได้ให้มันหายหิวกินอาหาร <c oughs> กินอะไรก็ได้ให้มันหายหิว <c oughs> นั่นคือหลักของความจริงอยากมีเงิน นั่งเฉยๆมันมีไหมไม่มีอยากมีเงินไปจุดทูบสุดเทียนขอพญานาคมีไหมไม่มีไม่มีนะทางทาไงทำงานหาเงินไม่งั้นก็แบมือขอแม่ขอหน่อยได้แน่ก็ก็นี่คือสิ่งเรียกว่าญาณทศนะทีนี้เราจะเราจะดึงเข้าไปสู่หลักของความจริงหลักของความจริงทีเนี้ย ผู้เจ้าสอนความจริงที่เป็นยานศัศมีที่เป็นจริงเลยน่ะร่างกายของเราร่างกายที่เรามีอยู่นี่แหละผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยทุกคนมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก <Heroes> ใช่ไหม <definitely> มีคนไหนบ้างที่เป็นคนแล้วไม่มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอยู่ในกระดูกมีไหมเพราะฉะนั้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคือความจริงใช่ไหมถูกต้องไหมการที่เรารู้ว่าทุกคนต้องมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นความจริงใช่ไหม ในผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีผู้ชายผู้หญิงไหมไ ม, ไม่มีไม่มีแล้วความเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็นความจริงไหมเอาอย่างงนะ <y empieza> ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกคือความจริงทุกคนต้องมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงต้องมีอย่างนี้ในผมขนเล <y> ็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่มีผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมไม่มีเพศใช่ไหม <y> ความเป็นผู้ชายและความเป็นผู้หญิงอย่างเนี้ยถือว่าเป็นความจริงไหม จริงไหมจริงเหรอในผมขนเล็บเอาเงี้ยเส้นผมของผู้ชายกับเส้นของผู้หญิงมันมันไม่มันไม่ใช่เส้นผมอันเดียวกันเหรอถูกต้องเนี่ยตอบถูกอันนี้หัวไวอยู่แต่กว่าจะไวก็คิดนานอยู่ผู้ชายผู้หญิงไม่มีจริงเพราะความจริงระบุไว้ว่า ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามห้วใจตับข้งผื่นไตไใหญ่ไซน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเขากําหนดไว้อย่างนี้เท่านั้นนี่คือความจริงแล้วในความจริงอันเป็นผมขนเล็บอย่างเนี้ยโดยธาตุของมันทีนี้เราจะพูดถึงธาตุแล้วนะอันนี้พูดถึงโดยลักษณะคือความองค์ประกอบของร่างกายทีนี้โดยธาตุธาตุของความเป็นเส้นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยโดยธาตุของมันคืออะไรอะไรคือดินสิ่งที่แข็งแข็งในร่างกายใช่ไหยคือดิน สิ่งที่เล้วเอิบอาบคือน้ําใช่ไหมสิ่งที่ร้อนและอบอุ่นในร่างกายเราคือไฟสิ่งที่พัดไปมาในร่างกายเราคือเอ้ยทำไมลูกสิทธิ์ครูกายตอบได้เอาธาตุสี่ปีท่องเลยมีหน้าล่ะอก็ตอบกันได้นี่ว่าเดี๋วเขาเจียวเจียวต้องพื้นฐานดีดีอะไรก็ตามต้องเริ่มมาจากพื้นฐานที่ดีการที่เรารู้ว่าร่างกายของเราคือธาตุสี่ปน้ําไฟลมนั่นคือการมียานัทธสนาเข้าใจไหมรู้ ว่าร่างกายคือดินน้ำไฟลมนั้นคือเหตุกับผลถูกต้องไหมถูกต้องทีนี้เราได้เห็นเหตุผลนี้ตามความเป็นจริงทุกวันทุกวันไหมหรือเห็นร่างกายเราเป็นตัวเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นของเราอยู่แล้วไม่ได้เห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมได้เห็นไหมถ้ารู้เฉยเฉยเรียกว่าญาณแต่ถ้าเห็นด้วยเป็นญาณพัศชนะคือทั้งรู้ทั้งเห็นเพราะฉะนั้นรู้อย่างเดียวไม่พอต้องเห็นความจริงด้วยรู้ความจริงไม่พอต้องเห็นความจริงด้วย การเห็นความจริงจะทําให้สติปัญญาเราเกิดขึ้นเป็นการเป็นเปิดเป็นการเปิดสติปัญญาเราขึ้นมาให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆจริงๆไม่ใช่สิ่งใหม่สิ่งเก่าทีนี้เมื่อเราเห็นว่าร่างกายของเราคือดินคือน้ําคือไฟเป็นคือลมมีคนไปด่าดินดินโกรธไหมไม่โกรธมีคนไปเหยียบดินกระเทือบดินเนี่ยดินโกรธไหมไม่โกรธมีคนถมน้ำลายใส่ดินดินโกรธไหมไม่โกรธมีคน เอาไฟไปเผาดินดินโกรธไหมมีคนมาด่าเราทำไมเราโกรธเราก็คือดินนับไฟลมนี่แหละทำไมเราโกรธเอาละสิถ้าโกรธนี่ขัดแย้งกับเหตุผลแล้วนะขัดแย้งกับความจริงแล้วนะดินมันไม่เคยโกรธใครเพราะอะไรอ่ะตีนี่หาคำตอบคิดโกรธได้ยังไง เส้นผมมันเคยโกรธใครไหมขนมันเคยโกรธใครไหมเล็บมันเคยโกรธใครไหมนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าห้อยใจตับพังผืดไตปอดเส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าโกรธใครไหมไม่ดีเสลี่นหองเลือดมันเหงื่อมันพ่นน้ำตาเปี่ยวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำปาซาวะเคยตะโกนออกมาว่ากูเกียดมึงอย่างเงี้ยมันเคยไม่เคยบ้างแล้วใครเป็นผู้โกรธอ่ะเอาเราเหรอเราคือใคร เอาอีกแล้วเราเราคือใครก็ไม่รู้เส้นเลยที่นี่เราคือเส้นผมเหรอเส้นผมก็ไม่ใช่เราใช่ไหมเราไม่ใช่เส้นผมเส้นผมไม่ใช่เราเพราะเส้นผมมันเป็นธาตุมันเลยเกี่ยวโยงกับจิตที่นี่ใช่ไหมถ้ากายไม่ใช่เราจิตเน่ยนอนต้องเป็นเราใช่ไหมในความรู้สึกไอ้จิตนี่แหละตัวพาเราโกรธถูกต้องไหมถ้าไม่มีจิตกายมันโกรธเองไม่เป็นหรอกนะใช่ไหมทีนี้ อันนี้เรียนขันหออ้าเลยยังเรียนแค่ธาตุสีใช่ไหมในธาตุสีก็เลยกําหนดไว้ว่าเป็นเพียงแค่ธาตุสี่ดินนั้นไฟลมประชุมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียนรู้มาอย่างนี้ทีนี้อันที่เป็นเราต้องคือจิตแน่ในความรู้สึกของเราทีนี้ในจิตประกอบไปด้วย4อย่างในตัวจิตนี่นะที่เราเข้าว่าใจว่าของเราประกอบไปด้วยสี่อย่างคือหนึ่งสุขสองทุกสามไม่สุขมีทุกมีไหมในชีวิตเราบางครั้งเรามีความสุขใช่ไหม ถ้าได้นอนหลับสบายสบายสุขจังเว้ยเนาะไม่น่าปลุกแต่เช้ามาวัดเลยอย่ า, ากำลังจะนอนให้มันสบายฝนก็ตกดีๆอากาศกําลังเย็นเค้มๆอยู่นี่กําลังจะมีความสุขนั่นคือสุขเวลาแม่ปลุกให้ตื่นไปเรียนแต่เช้านี่ทุกไหมบางคนก็ไม่ทุกเวบางคนก็บอกกูไม่อยากจะตื่นก็มีเ อ, า, อางี้ดีกว่าเอาเอาเรื่องอไรเรื่องอะไรบ้างที่มีความทุกข์ในชีวิต เด็กๆนี่แหละสอบตกใครมีความสุขยังไม่มีใครเคยสอบตกใช่ไหมในนี้สอบผ่านกันอยู่ว่ดีกันอยู่นะเอาทุกข้อเรื่องอะไรเอาความเป็นทุกข์ของเด็กก่อนผู้ใหญ่ไม่ถามแล้วพวผู้ใหญ่มีเยอะเหลือเกิน ปันปนมีความทุกข์ไหมไม่ทุกข์เวลาเราเจ็บป่วยเนี่ย <c oughs> เวลาเราเป็นไข้ <c oughs> เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ <c oughs> เป็นความทุกข์เนี่ยคืออาการของจิตนะอาการของจิตจะแสดงออกมาสามลักษณะที่ในส่วนของเวทนานะจิตประกอบมาจากเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณสี่อย่างในอาการอาการของเวทนาจะแสดงออกถึงความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันเนี้ยเรามีกันอยู่ทุกคนนะไม่สุขไม่ทุกข์คือเฉยๆ กับอาการแห่งการจํำสิ่งที่จําเรื่องที่จําเราเคยจําจําคนที่เราเคยโกรธไว้เน่ยเราเคยจําเขาได้ใช่ไหมเวลาเราไปจําเขาอีกครั้งหนึ่งนึกถึงหน้าเขาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกดีกับเขาไหมไม่รู้สึกดีเลยใช่ไหมยิงย่งนึกยิงย่งมันใส้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความจําในเรื่องของจิตจิตเป็นผู้นึกอันที่สสัญญาเออสังขารเรียกว่าการคิด อันแสดงอาการสุขหรือไม่สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาอันแสดงการจํำเรียกว่าสัญญาอันที่พาเราคิดเรียกว่าสังขารและอันที่ทําให้เกิดเราเกิดการรับรู้เช่นมองเห็นและเกิดการรับรู้เนี่ยคือวิญญาณได้ยินเสียงแล้วรับรู้ในเสียงคือวิญญาณแล้ววิญญาณทางตาหูจบูกลิ้นกายตัววิญญาณนี้ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นตัวเป็นตนของเราในลักษณะนั้นว่าจิตวิญญาณอันนั้นไม่ใช่วิญญาณคือสภาพแห่งการรับรู้จำไว้นะนี่คือส่วนของจิต ทีนี้หากในส่วนของจิตเราเข้าใจว่ามันเป็นเรานะถ้าการ Goddess, ไม่ใช่เราจิตต้องเป็นเราแน่เวทนาที่เป็นสุขเกิดขึ้นทำให้เราเกิดความรู้สึกเป็นสุขใช่ไหมเวทนาที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นทำให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ใช่ไหมเจ็บป่วยขึ้นมาทำให้เราเป็นทุกข์แน่ๆเวลาไม่สุขไม่ทุกข์เกิดขึ้นจะทำให้เรารู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมหากเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเรา เวลาสุกเวทนาดับไปคือมันหายไปเนี่ยตัวเราหายไปไหมไม่แสดงว่าเวทนาไม่ใช่เราสุกต้องไหมไม่ถูกเอาเริ่ม เ, เหตุผลเริ่มขัดแย้งกันแล้ว <c oughs> ถูกหรือไม่ถูกหากว่าเวทนาเป็นเรานะหากว่าเวทนาเป็นเราคือเปเวทนาเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตเนี่ยเป็นเราสุขเกิดขึ้นสุขเวทนาเกิดขึ้น เรารู้สึกว่าเป็นสุขเมื่อสุขเวทนาดับไปเราได้ดับไปตามอาการเห็นความสุขไหมไม่ได้ดับเรายังอยู่นะแล้วเวทนามันดับหากว่าเรากับเวทนาเป็นในเดียวกันเราต้องดับไปเป็นดับไปพร้อมกับเวทนาสิใช่ไหมถ้าเราเป็นในเดียวกันเวทนาดับไปเราก็ต้องดับไปด้วยแต่เมื่อเวทนาดับแล้วเราไม่ดับนั่นแสดงให้เห็นว่าเรากับเวทนาไม่ใช่อันเดียวกัน ทั้งสุขและทุกข์ไม่ใช่ตัวเราทีนี้เมื่อทั้งสุขและทุกข์ไม่ใช่ตัวเราเราจําเป็นจะต้องไปสุขหรือทุกข์กับอาการแห่งเวทนาไหมไม่จําเป็นแสดงว่าความสุขไม่จําเป็นในชีวิตของเราเลยถูกต้องไหมความสุขไม่มีความจําเป็นต่อชีวิตของเราเลยเพราะมันไม่ใช่อันเดียวกันกับเราใช่ไห ม, ไมคิดให้ดีนะเอาไม่ใช่อีกเอาไม่ใช่อีกแสดงว่าเราจะมีเหตุผลอื่นมาขัดแย้งกับหลักยานตทัศนะความจริง นี่แหละคือปัญหาของชีวิตคนคนจะโฟกัสไปตรงที่ความสุขในชีวิตเราต้องการสแสวงหาความสุขมาตอบสนองอคุณพระเจ้าบอกว่าการที่เราสแสวงหาความสุขมาตอบสนองตัวเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับการตักน้ําใส่ถังรั่วมันเป็นยังไงจะเต็มไหมไม่เต็มมันไม่เต็มแล้วเราจะต้องตักใส่อยู่ตลอดมันก็ไม่เคยเต็มแล้วเราก็ตักอยู่ตลอดมันก็รั่วออกไปตลอดแล้วมันก็ไม่เคยเต็มมันเกิดความลําบากในการทําอย่างนั้นพวงจึงบอกว่าอย่าแสวงหาสุข ว่าเอาเป็นบ้าเลอพระอาจารย์คนก็อยากต้องการความสุขทําไมพระอาจารย์ไม่อยากสแสวงหาสุขอะและอยากให้ทํำยังไงพระเจ้าบอกว่าให้รู้จัดทุกเพราะอะไรเพราะสุขก็ไม่ใช่ตัวเราเพราะมันเกิดเองดับเองได้เพราะฉนั้นจึงไม่จําเป็นเราจะต้องไปไปสุขกับมันและความทุก์เวลาเกิดขึ้นมันก็ดับไปเองได้ด้วยใช่ไหมเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไป ยึดถืออะไรในความทุกข์หมายถือว่าเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับมันทําได้ไหมแต่หากใครก็ตามมียาธรัมชาตที่สมบูรณ์คนคนนั้นจะสามารถทําได้เราไม่จําเป็นต้องไปสุขหรือไปทุกข์เพราะความสุขหรือความทุกข์มันไม่ใช่เหตุปัจจัยหลักของชีวิตเป็นเพียงแค่สิ่งที่ผ่านเข้ามาสัมผัสแล้วก็ออกไปผ่านเข้ามาระสัมผัสแล้วออกไปเป็นแค่ของชั่วคราวปัญหาของมนุษย์คืออยากจะให้สุขคงอยู่แล้วอยากให้ทุกข์หายไป สิ่งที่มนุษย์ต้องการอยากให้สุขคงอยู่แล้วอยากให้ทุกข์หายไปนี้จึงเป็นเรื่องราวของชีวิตที่เราต้องทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกเพื่อให้สุขคงอยู่แล้วให้ทุกข์หายไปแต่ปรากฏว่านในขณะที่เราทํานั้นอนะทุกข์ไหมขณะที่เรียนเนี่ยสุขหรือทุกข์ทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไม่ให้เรียนแต่พระองค์บอกว่าให้เรารู้จักทุกข์ว่าเราต้องทุกข์ เมื่อเรารู้จักว่าเราต้องทุกข์แสดงว่าความสุขเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะชีวิตเราที่แท้จริงต้องทุกข์การที่วงทรงสอนอย่างนี้เพื่อเราจะต้องทำให้เราเกิดสติตั้งท่ารับสิ่งที่มันเป็นความทุกข์เพราะอะไรความสุขเนี่ยเราชอบแน่ๆเราไม่ต้องไปปฏิเสธมันในความหมายของพรเจ้าไม่ให้ไปปฏิเสธนะปฏิเสธความสุขก็ไม่ได้เพราะมันต้องเป็นสิ่งที่มี แต่ในความหมายของพระเจ้าไม่ให้เราไปติดอยู่กับความสุขหรือไม่ไดเอาความสุขมาเป็นชีวิตของเราและไม่ได้เอาความสุขมาเป็นเป้าหมายสิ่งที่ต้องพระเจ้าต้องการให้เราทําให้ถูกต้องตามหลักของอยานาทัศนะนั้นก็คือให้พวกเรายอมรับทุกข์ให้ได้เมื <ME> ่อใดก็ตามที่เรายอมรับทุกข์ได้เมื่อนั้นความสุขก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความจําเป็นเพราะการที่เราต้องแสวงหาสุขนั้นเราแสวงหาเพื่อบรรเทาทุกข์เท่านั้นแต่เมื่อเรารู้จักการยอมรับทุกข์ได้ ความทุกข์ก็จะไม่ใช่ปัญหาของชีวิตแล้วเราจะไม่บีวิ่งหาสุขแต่ไม่ปฏิเสธความสุขที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติของมันพอนึกออกไหมอย่างเงี้ยนึกออกอยู่ได้เออนึกออกได้ก็ดีเด็กระดับนี้นึกออกได้ถือว่ามียาทัศนะที่แก่กล้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ตัดสลุได้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กคนเนี้ยคนอื่นยังดูหน้างงๆอยู่เนี่ย เนื่องเวลาคุยกับคนมันจะสอให้เห็นพื้นฐานของจิตของคนนั้นคิดตามได้คนที่คิดตามได้จะรู้ทําเร็วไหนยะหมายถึงว่าการที่พระองค์ให้เรารู้จักความทุกข์เนี่ยเพื่อที่ว่าทุกข์เนี่ยมีมาจากเหตุอะไรพวะคจะเริ่มให้เราสาวหาเหตุเพราะมันเป็นเรื่องของเหตุผลยานัตถนะนั้นจะทําให้เหตุผลนั้นนะ่ะชัดเจนขึ้นเพราะการรู้เห็นตามความเป็นจริงเวลาทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะ่ะจะให้เรามีความสุขอยู่ได้ไหม ไม่ได้เพราะเวลาความทุกข์เก <Conservation. S 1> er ิดขึ้นมันต้องทุกข์ใช่ไหมเวลาความทุกข์เกิดขึ้นแล้วเราต้องทุกข์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติไหมไม่ผิดปกติถูกต้องไหมเวลาความทุกข์เกิดขึ้นแล้วคนมีความสุขได้ถือว่าผิดปกติไหมผิดเพราะฉะนั้นเวลาทุกข์เกิดขึ้นเราต้องทุกข์แต่พองไม่ได้บอกว่าให้เราดับทุกข์หรือให้เราปฏิเสธทุกข์แต่พวงบอกว่าให้ยอมรับมันก่อนยอมรับเพื่ออะไรยอมรับเพื่อหาเหตุหาเหตุ สอบได้คะแนนน้อยเหตุเพราะอะไรไม่ตั้งใจเรียนแล้วเวลาแก้ไขเราจะแก้ไขยังไงแก้ไขของผลของการสอบความทุกข์เพราะการที่สอบได้คะแนนน้อยนีย่ขยันมีเด็กอยู่คนหนึ่งพ่อแม่มาพ่อมาเล่าให้ฟังเด็กคนนี้แต่ก่อนมันเรียนได้เกดสมาตลอดเกดสคะแนนเกรดสีคะแนนเกสขึ้นอยู่ในห้องเอห้อง A มาตลอด ที่นี้มีจังหวะหนึ่งมันเกเกนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ชายนะเกเล <laughs> เกก็คือเล่นเกมเล่นอะไรล่ะโซเชียลเล่นออนไลน์อะไรต่างๆ u t ย b e YouTube, YouTube อะไรนะไม่ค่อยสนใจเรียนแต่ก็ยังได้เกดซีอยู่แต่ว่าเป็นเกรดซีในระดับคะแนน80มันมาตกในห้องห้องห้องบีห้องลองเนี่ยมีวันหนึ่งมัน เขาก็มาทําบุญอยู่ที่นี่แหละเด็กเขเนี้ยมาทำบุญอยู่มันนึงม่คิดได้ยังไงก็ไม่รู้บอกว่าพ่อถ้าผมจะตั้งเจียนเอาให้ได้เกรดสี่เก้าสิบขึ้นพ่อจะให้อะไรพ่อมันพ่อมันพ่อเขารู้สึกว่าเออเด็กเนี่ยมันมาสามารถที่จะแก้ปัญหาตัวของมันเองได้มันพ่อมันรู้ตัวว่าคะแนนมันตกระดับมันลดลง มันจะปรับปรุงคือหายเหตุเพราะมันไปติดเกมมันก็เลยเลิกเล่นเกมแล้วก็มาตั้งใจเรียนแล้วก็ทําได้พ่อก็เลยรู้ว่าเด็กคนนี้ถ้าทําอะไรจะทําได้นั่นหมายถึงว่าพวกเราพวกเราเนี่ยถ้ามีความตั้งใจที่จะทําอะไรก็ตามพวกเราสามารถทําได้ขณะตั้งใจเล่นเกมยังตั้งใจได้ไหมทั้งใจเรียนทำไมทั้งใจไม่ได้เกมไม่ใช่ว่าเล่นแล้วจะได้เป็นเลยทีแรกนะยากอาตมาเคยเล่นกับเด็กเนี่ยยากที่พายเลย่นเด็กเออทําไมมันรู้เรื่องพวกนี้ว่าเราเล่นทําไมเราไม่รู้เรื่องอะไรกับมันเลยวะ แต่พอเล่นไปเล่นไปเล่นไปติดมีเด็กมาอยู่ด้วยเล่นกับมันพอมันจะมาขอแย่งเล่นเลยมึงออกไปห่างๆมักูจะเล่นติดไว้ถ้าเราตั้งใจที่จะเล่นมันเป็นแต่พอเราหยุดเล่นแล้วก็คือหยุดมันก็เลิกไม่ใส่ไม่สนใจเล่นเพื่อให้รู้เท่านั้นเองรู้ว่าเพราะเด็กมันติดอย่างนี้นี่เองเวลาติดแล้วมันใจมันจะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเวลาเราติดอยู่กับการเรียนใจเราจะอยู่กับการเรียน จิตเราถ้าส่งใจไว้หรือใส่ใจไว้ในทําอะไรก็ตามจิตเราจะติดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นและสิ่งเหล่านั้นมันจะเป็นอารมณ์ในจิตหรืออัธยาศัยในจิตอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแก้ไขที่เหตุเมื่อเราแก้ไขที่เหตุเราจะต้องไปบนบานหาสารเก่าวไหมขอให้ข้าพเจ้าสอบได้ข้าพเจ้าจะเอาหงอหมูมาเลี้ยงเจ้าพ่อเอ้ยเจ้าแม่เอ้ยเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าป่าเจ้าเขาต้องเอาหงอหมูไปเลี้ยงไหมไม่เราทํายังไงตั้งใจเรียนใช่ไหม ไม่ต้องสนใจเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยไม่ต้องเปืองหัวหมูมีใครเคยไปนบนบานสารเก่าบ้างไงนี่อ่ะข้างหลังมันมีใครไหมขอให้สอบผ่านไม่มีนะ <c oughs> นึกว่ามี <c oughs> แต่ในความเป็นจริงของสังคมมี <c oughs> บนบานสารเก่าเลี้ยงอย่างเงี้ยเมื่อเรามีชีวิตตรงกับเหตุผลอย่างนี้แล้วปั๊บเนี่ยความรู้เห็นตามความเป็นจริง จะทำให้เหตุผลเนี่ยชัดเจนขึ้นอ๋อมีทุกแสดงว่า ม, มีเหตุจัดการกับเหตุเนีเมื่อเราแก้ไขกับเหตุได้แล้วเหตุนั้นดับไปได้มันก็เกิดความโปร่งโล่งเบาสบายในจิตคือนิโรธก็เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องทำให้แจ้งหมายถึงว่าทุกเกิดขึ้นเราต้องแก้เหตุทุกเกิดขึ้นต้องแก้เหตุแล้วก็เห็นความดับไปว่าเหตุแต่ละอันเนี่ยสามารถทําให้มันดับได้เหตุที่ทําให้เราเกิดความโกรธคืออะไรรู้ไหม เคยหาเหยุผลไห ม, ไ ม, มเวลาเกิดความโกรธเกิดขึ้นส่วนมากจะเข้าไปดับความโกรธหรือระงับความโกรธอันนั้นเป็นการปฏิบัติผิดเวลาเกิดความโกรธเกิดขึ้นคนที่มียานันทนะเห็นความเป็นจริงเนี่ยจะต้องสาวหาเหตุคือหาผลเหตุกับผลผ ล, ผลคือความโกรธเหตุคืออะไรที่ทําให้เกิดความโกรธเหตุคืออะไรฮความไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมความขัดเคืองใจใช่ไหมอะไรอีก ความโม โ, โหความอะไรอีกอเหตุมันไออาการไม่ได้ดั่งใจขัดเคืองใจหรือโมหโหเนี่ยยังเป็นเพียงแค่ปัจจัยแวดล้อมยังไม่ใช่ตัวเหตุแท้เป็นเพียงแค่ปัจจัยสนับสนุนที่จะก่อให้เกิดความโกรธมากขึ้นหรือเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นเหตุคืออะไ ร, ไรเหตุคือความไม่รู้จักความปวด คนทุกคนมักจะมองว่าความโกรธไม่ดีใช่ไหมแต่แม้จะรู้ว่าความโกรธไม่ดีแต่เราก็ยังโกรธกันอยู่ใช่ไหมเคยโกรธกันไหมกับเพื่อนรู้ว่ามันไม่ดีใช่ไหมแต่ทําไมยังพอใจที่จะโกรธอยู่เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักความโกรธที่แท้จริงความโกรธไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีความโกรธเป็นเครื่องแสดงออกให้เราได้รับรู้รับทราบสิ่งที่มาสัมผัสกับจิต เป็นแค่เครื่องแสดงออกให้รับทราบสิ่งที่สัมผัสกับจิตหมายถึงว่า<ม>เราสัมผัสกับความร้อนเราจะต้องร้อนหรือเย็นร้อนเราสัมผัสกับน้าแข็งเราจะร้อนหรือเย็นเย็นเมื่อเรากินพริกเราจะต้องหวา น, นอ่าเพลิดเมื่อเรากินมะนาวเราจะต้องเค็มอาเปรี้ยวนั่นคือความจริงนะเมื่อมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดเคืองใจเราก็ต้องโกรธ ถูกต้องไหมความโกรธเป็นสิ่งที่แสดงออกปรากฏให้จิตได้รับทราบในสิ่งนั้นแต่เราไม่ได้รับทราบความโกรธแต่เราเป็นไปตามอาการของความโกรธนั่นคือปัญหาที่ทําให้เราเกิดโกรธแล้วโกรธอีกเพราะเราเป็นไปตามอาการของความโกรธฉะนั้นวิธีแก้คือแก้ที่เหตุเหตุคือเราไม่รู้พุทธเจ้าจึงสอนให้เรารู้รู้อะไรเวลาความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ความโกรธในใจเรา ให้มองความโกรธเข้าไปในใจเรารู้ทั้งรู้ทั้งเห็นหมายถึงว่ารู้ความโกรธเกิดขึ้นและเห็นอาการของความโกรธเกิดขึ้นในใจเราไม่ใช่ไปเห็นแต่หน้าคนที่เราโกรธมันมันอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การรู้เหตุอย่างนั้นคนที่ทําให้เราโกรธนั่นอ่ะไม่ใช่เหตุเหตุคือเราไม่รู้จักความโกรธเมื่อเรารู้จักความโกรธแล้วเข้าไปเห็นอาการของความโกรธเกิดขึ้นถามว่าความโกรธมันตั้งอยู่ในใจเราตลอดเวลาไหมตอบได้นี่ ไม่อยู่ตลอดเวลามันดับไปได้ใช่ไหมพุณย่าบอกให้เห็นอาการแห่งความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปบุคคลใดก็ตามเห็นอาการแห่งความโกรธเกิดขึ้นและดับไปในจิตนใจของตัวเราได้คนคขานั้นได้ชื่อว่าทําลายเหตุแห่งความโกรธได้เขาจะเกิดปัญญาขึ้นมาญาณทัศนะจะเกิดขึ้นจะรู้เหตุกับผลเมื่อรู้เหตุกับผลญาณทัศนะจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เหตุกับผลเนี่ยบริสุทธิ์เหตุผลเราไปใช้ในทางที่ผิดๆกันเยอะ เราไม่เคยทําให้เหตุผลนี้บริสุทธิ์แต่ญาณนิสสนาคือการเห็นตามความเปจริงรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยจะทําให้เหตุผลนี้บริสุทธิ์เมื่อเหตุผลเป็นของบริสุทธิ์เกิดขึ้นความงมงายจึงหอดหายไปเราจะไม่งมงายกับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราจะไม่งมงายกับอารมณ์แห่งความโกรธเราจะไม่ลงไปตามอาการแห่งความโกรธเราจะไม่ลงไปตามอาการแห่งการบ่นบานสารกล่าวหรือยึดถือสิ่งผิดชีวิตเราจะดีขึ้นด้วยการกระทําภายในตัวเรา เราจะทำให้เราชีวิตมีความทุกข์กับเรื่องบางเรื่องหรือสุขกับเรื่องบางเรื่องขึ้นอยู่กับเราเป็นผู้กําหนดเราเป็นผู้แก้ไขและเราเป็นผู้เรียนรู้ตัวของเรานั่นคือหลักคําสอนในทางพุทธศาสนาที่เป็นสาระแ ก, ก่นสารพอเข้าใจนะโอ้ดึงเข้าถึงธรรมจนได้ดึงเข้าถึงหลักการจนได้ก็แค่นี้แหละก็ไม่มีอะไรมากเด็กคนนี้มียาทัศนะนี่ก็มียาทัศนะเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงมาก แตทุกคนยาน้าทัศน์ต้องเป็นเครื่องรองรับทำยังไงถึงจะเกิดยาน้าทัศนะได้รู้ไหมเกิดแล้วแหละพวกเราเน่ยเกิดแล้วแหละแต่รู้ไหมว่ายานัาสันะมาจากเหตุอะไรทําไมถึงเกิดยาน้า <siglo> ท <achi bizarre> ัศนะได้มาจากสมาธิความตั้งใจฟังพระอาจารย์เข้าใจไหมสมาธิมาจากอะไรรู้ไหมมาจากสติระลึกตามหลักคําสอน สติมาจากอะไรดูไหมมาจากความพยายามที่จะฟังความพยายามมาจากอะไรดูไหมความพยายามที่จะฟังเนี่ยมาจากอะไรสมาชีวะคือใช้ชีวิตของเราอยู่ในวงจรนี้วงจรแห่งธรรมะนี้ถ้าครูกายไม่พามาจะได้ฟังเรื่องนี้ไหมสติจะเริ่รู้ในเรื่องนี้ไหมสมาธิจะตั้งใจที่จะฟังเรื่องนี้ไหมจะเกิดความรู้ความเห็นเป็นญานณทัศนะขึ้นมาห จะมีเหตุผลไหมแสดงว่าเราขาดเหตุผลเป็นเพราะเราไม่มียาธทัศนะที่เราไม่มียาธาิษฐนะเพ่อเราไม่มีสมาธิที่เราไม่มีสมาธิพราะไม่ได้มีสติที่ไม่มีสติเพราะไม่ได้มาตั้งใจฟังคําสอนแล้วเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในวงจรของหลักธรรมไม่ใช่สัมมาชีวะที่เกิดมีสัมมาชีวะเพราะอะไระการกระทําชอบคือเราตั้งใจที่จะทําความดีทดําชอบเรารู้ว่าไปวัดเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเราก็เลยมาตั้งใจที่จะกระทํา เนี่ยมีใครตั้งใจแบบสุดๆบ้างในนี้ที่อยากจะมาในวันนี้เนี่ยตั้งใจสุดๆเลยโอ้มีความตั้งใจดีมากเลยนั่นคือหลักของมัคความตั้งใจที่จะการทำและสัมมาเกรมันตามาจากคําพูดที่ดีสัมมาวาจาของครูกายชักชวนเรามาเข้าใจไหมเนี่ยเรามีครูกายที่เป็นกัลยาณีมีที่ดีเป็นเป็นผู้ที่ให้แนะนําสิ่งที่ดีเป็นด้วยสัมมาวาจาและก็ชวนกันมาก็เป็นสัมมาวาจาสัมมาวาจามาจากความคิดที่จะมา คือการดับหลคือคิดแล้วเมื่อความคิดดับริที่จะมาเนี่ยมาจากความเห็นว่าไปทําบุญแล้วมันได้บุญแสดงว่าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าทําบุญได้บุญมีความเชื่อว่าบุญนั้นจะอํานวยผลให้กับชีวิตเราในทางที่ถูกต้องใช่ไหมหลักของมรรคแปดมันครบแล้วในนี้นั่นคือทางสายกลางที่เราอยู่ในหลักการนี้ยาทศน์นาเป็นเพียงแค่ผลจากนั้นเราก็พัฒนา ย, ยาทศน์นา สร้างเหตุผลให้กับชีวิตของเราไปเรื่อยๆแล้วเราจะเข้าถึงสัจธรรมในทางพุทธศาสนาได้ยากไหมไม่ยากนะปฏิบัติตามมรรคแปดไม่ยากเลยเด็กบอกไม่ยากนะแต่ผู้ใหญ่อะ <c oughs> ผู้ใหญ่ยัง <c oughs> ผู้ใหญ่มันถูกพอกคูณมาเยอะใช่ไหม <c oughs> อะไรไม่รู้่าพอกคูณอันที่ไล่เหตุผลมามาเป็นเงื่อนไขต่างๆมามันมากมายซับซ้อนอยู่ในจิต จนแยกแยกเหตุกับผลไม่ออกอะไรคือจริงอะไรไม่จริงอะไรคือเท็จอะไรไม่เท็จเพราะฉะนั้นการจุดทูปจุดเทียนกราบไหว้บูชาสิ่งทางต่างแม้แต่ลูกเาลบมันเป็นความจริงไหมไม่จริงมันไม่ใช่ความจริงไม่ใช่ยานาทศนะแลวนั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเด็กตอบได้หรือว่าใช้ได้นะเอไม่เรวว้เด็กเนี่ย หาโอกาสมาปฏิบัติหรือสอบถามครูกายได้พื้นฐานเนี่ยถ้าถ้าท่องทาากรรมฐานสีได้แล้วให้ท่องขันห้าต่ออ้าเหรอยังไม่ทำฝันทำทีนี้มีคำถามมาที่จะต้องจำเป็นต้องตอบ อยากทราบว่าลำดับขั้นตอนการสวดมนต์ที่ ถ, ถูกต้องจริงๆเป็นอย่างไรคะถามครูน้องแล้วครูน้องนํามาตอบครูน้องน้องน่าจะตอบไปแล้วในส่วนหนึ่งนะ อ, อ, อ๋อยังไม่ตอบไม่กล้าตอบหรือยังไงกลัวจะอธิบายไม่ถูก อ, าาอยากทราบว่าลำดับขั้นตอนการสวดมนต์ที่ถูกต้องจริงๆเป็นอย่างไรไขอตอบว่าลำดับการสวดมนต์ที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาขอตอบในทางพุทธศาสนานะไม่มี หลักการสวดมนต์ที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาไม่มีแต่หลักการสาธยายพระสูตรในทางพระพุทธศาสนามีแล้วหลักการสาธยายพระสูตรนั้นคืออย่างไรเรื่องราวที่พระองค์ทรงให้พุทธสาวกทรงสาธยายนั้นเรียกว่าพระปริตรู้จักนะพระปริตปั้นๆท่องได้หรื อ, อยังพระปริตพระปริตมีอยู่บทหนึ่งที่พระเจ้าบอกว่า จะต้องสวดสาธยายอยู่สมำเสมอนั่นคือหนังสือพระปริตถ้าเด็กอยากได้ก็เอาไปแต่ต้องแก้ไขในจุดบางจุดที่ตกที่ผิดพลาดบ้างก็คืออาตานาติยะปรลิตดันอันนี้จะต้องสวดเป็นเป็นข้อที่ ม, มีมาในหลักคำสอนเลยว่าให้สวดทุกคนในความเป็นอุบาสกอุบาสิการหรือในส่วนของความเป็นพุทธศาสนิกชนให้สวดสาธยายพระปริต เรียกว่าอาตานตาิยะผลิตสวดยังไงก็ประกาศพาระผลิตนั้นขึ้นมาเลยอาตานตาิยะผลิตนั่นประกาศขึ้นมาในบทที่ตามแบบที่ให้สวดถ้าในบาลีก็บอกว่าวิปปสิสนมัตุจักุมันตาสะสีดิมตสิกิสิสปินมัตุสบาปูตานุกปิโดบทวันนี้ให้สวดาสาธยายเพื่ออะไร<ม>เพื่อป้องกันอมรุษผีปีศาจชาวทิพย์บางจาพวกที่ ลังแก่เบียดเบียนข่มเหงและก่อขวัมนุษย์ผู้นับถือพระรัตนตรัยอมนุษย์ผีปีศาจชาวทิพย์บางเหล่าที่เขาไม่ยินดีในพระรัตนไตยมีมากเขาเหล่านั้นจะเบียดเบียนมนุษย์ผู้นับถือพระรัตนไตรัยพระเจ้าให้สวดเพื่อป้องกันอมนุษย์ผีปีศาจชาวทิพย์เหล่านั้นเรียกว่าพวกที่ไม่หวังดีในบุคคลผู้นับถือพระรัตนไตรัยพระเจ้าให้สวดเป็นประจำเพื่อเป็นการป้องกัน พาปาริแตแปลว่าเครื่องป้องกันเครื่องต้านทานเครื่องคุ้มครองนะการสวดพาปริสก็สวดไปเวิปษษัสสีสานัมัทอันนี้เป็นเพราบรราลีภาษาไทยก็สวดขึ้นมาว่าขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระวิปษษัสสีผูธเจ้าผู้มีตาทิพผู้มีภระสิรินะวิปัสสีสานัมัทจักกุมันตะสาตตสิลีมาโตสิกขิสสปินนมัุูสัปปปูตานุกัปปิโนขอนอบน้อมแด่พระสิขีผู้เจ้า ผู้อนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวงผัวหน้าอาจจะมีอยู่ในนั้นก็พูดอย่างนี้ขึ้นมาเลยประกาศขึ้นมาเลยอยู่ที่ไหนๆก็ตามส่วนประกาศขึ้นมาจนจบบทน่ะอาตมาจําหมดไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนคนที่ได้ใช้บ่อยๆคือพวกที่ถูกก่อขุนบ่อยๆมีผีปีศาจบางเหล่าบางจําพวกกอกวนมนุษย์เข้าแทรกบ้างเข้าก่อกวนทําให้ปวดศีรษะบ้างปวดตามเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวบ้างอึดอัดภายในตัวเองจน ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเป็นปกติบ้างและถูกควบคุมด้วยอนุภาพของอมรุปผีปีศาจในการเข้าแทรกจนไม่รู้สึกเป็นตัวของตัวเองบ้างหลายประเภทเนี่ยนอนกำลังก่างคืนหลับลงไปละเมอเพ้อพกขึ้นมาเป็นเสียงอื่นไม่ใช่เสียงตัวเราคนอื่นได้ยินแล้วเอ้ยอันนี้พูดเสียงเสียงเหมือนกับเสียงคนแก่บ้างเนี่ยเสียงเหมือนเด็กบ้างต่างๆนาน า, นาอันนั้นให้สวดบทนี้ขึ้นมาเลยไม่ต้องไปคิดอะไรมากจับ บทพระประลขึ้นมาได้แล้วขอนอบน้อมแด่พ ร, ระวิสดีผู้มีจกักรผู้มีตาทิพย์ผู้มีพระสริมงคลสวดไปอย่างนี้แหละโดยภาษาไทยสวดไปได้เลยนี่คือการสวดตามพระพุทธศาสนาแต่การสวดมนต์อันที่พูดถึงนี่ไม่ใช่มนนะเป็นปริทไม่ใช่มนเพราะนั้นขั้นตอนการสวดมนต์มีที่ไหนมีอยู่ในาศาสนาพราหมณ์ขั้นตอนการสวดมนต์ต้องไปถามเหล่าพราหมณ์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรถ้าจะดูตามเหล่าพราหมณ์ก็ต้องตั้ ง, ตงโต๊ะ ทำเครื่องเส้นไหว้เตรียมทูปเตรียมเทียนเตรีย ม, ยมอาจจะมีกล้วยส้ม ก, กี่ลูกก็อีกตั้งหากไขนะตามพิธีพามแล้วค่อยสวยดแต่ทางพุทธสวดเลยไม่มีปัญหาตอนนี้ได้สวดแบบนี้ค่ะหนึ่งบทกลาพระ บทกาพระก็คือกราบเลยไม่ไม่ต้องสวดหมายถึงว่าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตัดสุรุชอบได้โดยพระองค์เองก็กาบลงไปขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนของพระเจ้าเป็นธรรมที่สามารถนําคนออกจากกองทุกข์ได้จริงก็กาบลงไปขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้พืชดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติตรงผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกองทุกข์ผู้ปฏิบัติที่สมควรแล้วก็กาบลงไปแค่นี้เองบทกาพระบทนมัสการพระรัตนตรัยแลที่พื่ออื่นของข้าพเจ้าไม่มีอะไรประเภทนี้ น้นมาสการแล้วก็บทอิติปิโสบทตพาหงบทชินนบัญชร น, นั่งสมาธิสิบนาทีแผ่เมตตาอ๋ออันนี้เป็นแบบแบบที่ถูกตีกรอบไว้ตามที่พระอาจารย์เคยพูดถึงต้นๆอ่ะอันนี้คือแบบที่ถูกตีกรอบ ป, ปันป้นๆกาเป๋อบันๆฤาจโยอากาปลา กราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์พุทธโธ ร, รักษาธรรมโหรักษาสังโฆ ร, รักษาพุทธโธคุ้มครองธรโมคุ้มครองสังโฆครคองนาะโตขึ้นมาแล้วดู้อร้อนมาอามาบอุ่นปันน้นๆนี่เล่าเรื่องเล่าเรื่องพระเวสสันดรได้จนจบนี่ คือการสวดแบบนี้นะ1บทการพระัธนาฏยสอนอามาสัส ก, การพรทธนาฏย3อิติปิโสพาวหุงชินบันซอนชอนนั่งสมาธิสินาทีแผ่เมตตาเนี่ยมันเป็นแบบที่ถูกตีกรอบแล้วเราก็ทำตามแบบแต่ไม่ค่อยจะได้ผลแล้ววิธีการทำยังไงก็บอกไปแล้วเมื่อกี้คือสวดเลยพะปรลิตแต่การสวดมนต์ไม่มีในธรรพระพุทธศาสนาถามาบทอิติปิโสก็ไม่ได้เหรอ บทอิติปิสโสผู้เจ้าให้ใช้ในกรณีไหนกรณีไหนที่พวกเราเคยเรียนมาบทอิติปิสโสใช้ในกรณีไหนพูทูเจ้าอยู่ในทัชชคะปาลิตังอันนี้อยู่ในทัชชคะปาลิเป็นบทพระปริตบทบทหนึ่งแต่ไม่ใช่บทมนนะเป็นบทพระปริตเป็นบทที่พระปริตที่กล่าวไว้ว่าอยู่ในนี้ไม่มีคือไม่ได้ดึงมาใส่ใช้ด้วยเพราะพวกเราก็รู้กันอยู่ พูดถึงแต่พวกเราไม่ค่อยได้ใส่ใจกันบทพระปริตบทนี้เรียกว่าทชักพระปริตรองษ์ทรงกล่าวไว้ว่าเมื่อใดที่เราทั้งหลายเกิดความขนลุกขนพองสยองก้ามีความกลัวอย่างเต็มที่เมื่อใดนะเมื่อใดมีการขน ล, ลุกขนพองสยองก้าและมีความกลัวอย่างเต็มที่ เธพึงระ ล, ลึกถึงพระธรรคตว่าอิติปิโสภคว า, าอรังสัมมาสามัมบุโทโธวิชชาจารณสัพพนโนความกลัวนั้นจนกว่าความกลัวนั้นจะหายไปหมายถึงว่าต้องระลึกถึงต้องบทอิติปิโสอย่างเงี้ยกลับไปกลับมากลับมากลับไปเรื่อยๆบทเดียวนี่แหละอิติปิโสภควาอรังสัมมาสามัมบโทโววิชชาจารสัพพนโนสุโตโกิอนุตโรุริสรมสัลทิสัเวะมุสาณังบุทโภภควาติอิติปิโสภควาอังสัมมาสัมบุทโอย่างเงี้ยคือ สวดขึ้นมาได้เลยไม่ต้องไม่ตั้งลนะโมตสะไม่ต้องนะคืออิติปิสโสขึ้นมาเลยถ้าเกิดความกลัวนะละลึกเลยอิติปิสโสบทเนี่ยย้ำอยู่นั่นแหละหากยังไม่หายกลัวละลึกถึงพระธรรมด้วยบทว่าสวากาโตภะกวัตตาโมสันดิพโกอากาลีโกเอหิปัสสิโกะปานาจิโ ก, ป, โกปัจจตังเวทิตัมโบวินญูหิติสวาก้าโตภะกวัตตาโมนี่กลับไปกลับมาจนกว่าจะหายกลัวหากไม่หายกลัวพึงระลึกถึงพระสงฆ์ ว่าสุปฏิปโนภกบัตโตทราบว่าเขาตั้งโขรา ล, ลึกขึ้นมาเลยไม่ต้องไปตั้งน้ำโมลุลน้ำมาอะไรไม่ต้องจุดทูบจุดเทียนไม่ต้อง <c oughs> เข้าใจไหม <c oughs> นั่นคือการใช้บทอิตีปิโสที่มีมาในทัาชชาคัปปริตแล้วเราสวดทุกวันก็เท่ากับว่าเรากลัวทุกวันเหรอ <c oughs> ขนลุกพองสยองเก้าทุกวันเลยใช่ไหมก็เมื่อไม่คนลุกพองสยองเก้าจะไปสวดทไมนะ <c oughs> ก็ในใน่าชักขปริบบอกว่าเมื่อเกิดความกลัวผนลุกพองสยองก้าวจึงสวดเหมือนกับว่าปวดหัวจึงกินยาพาราไม่ปวดหัวกินยาพาราเป็นยังไงถูกต้องไหมไ ม, ไม่ถูกบอกว่ากินกันปวดมันยังไม่ปวดกินกันไว้ก่อนเผื่อมันจะปวดเหมือนกับว่าสวดอินทรพิโสกันไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะกลัว มันยังไงกันแน่เนี่ยเมื่อยานัศนะคือความเห็นตามความเป็นจริงไม่เกิดขึ้นย่อมทำให้เหตุผลกลายเป็นความงมงายเห็นไหมเพราะฉะนั้นยานัศสนจะทำให้เหตุผลบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรามีเหตุผลความงมงายจะเหือดแห้งไปเหือดหายไปเด็กเนี่ยเริ่มเข้าใจเราในนี้ว่าเด็กชุดนี้ดีเว้ยเพราะฉะนั้นอีพิโส เป็นสิ่งที่จำเป็นเราต้องสวดทุกวันไหมไม่ไม่จำเป็นสวดตอนไหนสวดตอนกลงกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวสิ่งต่างๆที่เป็นความกลัวใช่ไหมขนหัวลุกเอะบนหัวมีขนด้วยเหรอไม่มีแล้วทำไมก็บอกขนหัวลุกเส้นผมลุกเหรอผมฟูแล้วบทพาหุง บทพาหุงใช้ในกรณีไหนเคยสวยดไหมบทพาหุงพาหุงสาหัสสมาพินีมิตาซาบุทานตังคลีเมฆกลังอุติตโคลาสเสนามาลังสวดในกรณีไหนไม่มีในหลักคําสอนบทพาหุงไม่มีในหลักคําสอนจึงไม่ใช่บทสวดนะอิติปิโสเป็นบทสวดได้แต่ต้องอาศัยตอนกลัวบทพาหุงไม่มีในหลักคําสอนว่าให้สวยดยังไง จึงไปหาที่มาที่ไปของบทพหุว่ามาอย่างไงจึงได้ทราบว่าบทพหุเป็นบทที่แต่งขึ้นแต่งโดยการร้อยเลียงเอาสิ่งที่พระเจ้าทรงชนะสิประการมารวมกันอันหนึ่งชนะช้างคิรีเมฆคีรีเมฆขลังอุทิตโคโราตเซพหาหุ่งสหสมาพินิมิตสาวุทันตังคีรีเมฆลังชนะช้างคิรีเมฆที่เป็นช้างตกมัน วิ่งตะกุยเท้ามาที่จะชนเขาพู้ทีเจ้าทําร้ายผู้ทีเจ้าพระอรหันต์เท้าร 5, ้อยรูปเห็นช้างวิ่งมาตกมันอย่า ง, ง น, นั้นเหานะหนีอรหันต์นะเหาะหนีกลัวกลัวเถอไม่ได้กลัวพระอานนท์กลัวช้างนี่จะมาทําร้ายผู้ทีเจ้ายืนกําบังผู้ทีเจ้าไปเลยพระอานนท์ผู้ทีเจ้าอย่าเป็นอะไรถ้าจะเป็นอะไรเราเป็นก่อนพระอานนท์ยืนกําบังไว้เลยพระอานนท์ยังเป็นโสดาบันอยู่นะ แต่พระอาหารหันต์่ะเาะหนีอ่ะเพราะท่านกลัวบาปนฮะเพราะ<า>ท่านกลัวว่าทนะ่านนปบาปบางทีอ่านไปอ่านไปเอก <c oughs> ก็สังเกตเอกรอาหารหันต์เหาะหนีทำไมวะ <c oughs> เป็นอาไรเนี่ยนี่กลัวอยป้ากูว่าไม่ได้กลัวเพราะพระอาหารหันต์ตอนนั้นต้องการให้พระอานนท์ทำหน้าที่อุปถัมภ์หาพระอาหารหันต์เข้าไปแทรกหน้านที่อุปถัมภ์จะผิด หน้าที่ให้พระอานนท์ทำหน้าที่อุปถักต์เต็มที่คือป้องกัน ร, ระวังพระพุทธองค์ไว้อารักษาพระพุทธองค์เนี่ยท่านยึงหองนี้ถ้ามีพระละหัน์อยู่ด้วยเหมือนกับว่าพระอานนท์นั้นคงจะอาศัยกําลังของพระละหัน์ที่อยู่แวดล้อมอยู่ด้วยเป็นเครื่องอุ่นใจจึงสามารถป้องกันช้างได้อะไรประเภท น, เนี้เราจะเห็นคุณค่าของพระอานนท์นี้น้อยมากพระร้านจิ้มหอนี้เพื่อให้เห็นคุณค่าของพระอานนท์นี้ มีความสําคัญยิ่งในเป็นพุทธอุปทาน็ดนร่าสมกับเป็นพุทธอุปทานนะพูดง่้ไงปรากฏว่าพ่นนยืนขวางไว้อย่างนั้นช้างมันก็ไม่หยุดพ่นนก็ใจสองกิจสองใจกูจะหลบหรือไม่หลบพระเจ้าก็เลยแผ่เมตตาไปหาช้างช้างขี่เมฆแผ่เมตตาไปบอกว่าิรี่เมฆช้างเนี่ยเกิดความตกใจขึ้นมาว่า พุทธองค์รู้จักชื่อเราได้ยังไงเบรกหยุดกึกเลยนะฝุ่นตลบเลยวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วหยุดกระทันหันเลยนะแล้วก็ชูงวงขึ้นแล้วหมอบลงช้างคิรีเมฆอันนี้คือพระเจ้าชนะด้วยเมตตาแผ่เมตตาไปถึงสัตว์ที่มุ่งจะทําร้ายจำไว้ว่าเราต้องชนะคนที่จะทําร้ายเราด้วยมเมตตาจําไว้เลยเห็น ไ, ไหมไม่ใช่ชนะเขาด้วยการแก้แค้นคืน นี่คือพาหุงที่ถูกต้องไม่ใช่ไปสวดสวดพาหุงอยู่ร้อยปีแต่ใจยังคิดโกรธแค้นคนอื่นถูกดีไหมตรงเนี้ยไม่ดีดดต้องเมตตาตลอดต้องเมตตาตลอ ด, ดนี่คือชนะช้างคิเลเมที่ตกมันอันที่สองคิเลเมะกำลังอุทิตโคนะะราสเซนามารังนั่นมันไม่ได้สวดนานมันลืมนะ น, นี่ ทานาที่ทานมิธินาชิตวามุนินโธอนนี้ชนะอะไรเอออันนี้อันนี้คือชนะชนะช้างอ่นแหะคือช้างมันตกมันอ่ะชนะคือมินโทคือความตกมันคือความเมาเรียกว่ามันตกมันอ่ะความเมาความควบคุมตัวเองไม่ได้ความฟุ้งซ่านที่ทําชิตวามุนินโทอะไรต่อตันเตชาซาพาวันตุเตชยามังคาลังคังหมายความว่า ด้วยการที่พองทรงชนะมานี้เป็นสัจจะด้วยความสัจจะนี้ขอชัยบงคนจงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านะพูดง่ายๆสวดเพื่อเสริมกําลังใจตัวเองให้เราเกิดความชนะแต่เราจะไปเอาตรงนั้นมาเป็นเครื่องชนะไม่ได้เพราะอันนั้นไม่ใช่พระปะริพูตรเจ้าบอกว่าให้ใช้ความเมตตาต่อไปบทที่สองคืออะไรของพราหมณ์ง่ะใครจําได้บ้างเลือล่อมเนี่ยตมาก็ลื้มันไม่ได้สวดนานนานมากๆเป็น10ปีแล้วไม่ได้สวดบทนี้ ชนะมานชนะพญามารด้วยหนึ่งหนึ่งชช้างสองชนะพญามารสามชนะยักษ์อารกะยักษ์ด้วยเมตตาเหมือนกันอาราก่ยักษ์แล้วก็ชนะเทวทัตแล้วก็ชนะอะไรอีกเมนู10ประการนี่นะที่เขาจะยิงธนูพวกที่มารวมหัวกันแล้วก็ยิงธนูใส่พระองค์แล้วก็อะไรอีก โอ้หลายอย่างเขาเอามาร้อยเลียงเป็นบทภาวหุ่งเพื่อเบิ้บทสวดให้เป็นชายมงคลอันนั้นอะ่ะมันไม่มีในหลักคําสอนแล้วก็นั่งสมาธิสิบนาทีสมาธิควรจะนั่งสิบนาทีหรือสมาธิควรจะมีอยู่ตลอดเวล า, ลวลาควรจะมีอยู่ตลอดเวลาไม่ควรจะมีแค่สินาทีเข้าใจไหมเด็กมีวความตั้งใจที่จะฟังอย่างเงี้ยเด็กมีสมาธิเด็กตั้งใจที่จะเรียนเด็กมีสมาธิเด็กตั้งใจที่จะเล่นเกมเด็กก็มีสมาธิ เปแต่เป็นสมาธิคนละประเภทนะแต่คือสมาธิมาจากอันเดียวกันคือความตั้งใจหากเอาความตั้งใจไปผนวกกับสิ่งที่เป็นกุศลสมาธินั้นเป็นสมาธิหากเอาสมาธิไปผนวกนกันกับสิ่งที่เป็นอกุศลก็เป็นมิจฉาสมาธิแค่นั้นเองแต่เราจะให้สมาธิของเราเป็นสัมมารหรือมิฉาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับญ า, าณทัศนะของเราไม่ทราบว่าที่ทามานี้ถูกต้องหรือไม่เคยสอบถามไปยังหลายท่าน แต่ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนอาจารย์พาอาจารย์ตอบนีชัดเจนไหมชัดเจนน ะ, ะส่วนใหญ่จะตอบว่าถูกต้องหมดโอ้ยถูกต้องหมดได้ยังไงเนี่ยอยู่ที่ใจนั่นไปเอาเรื่องใจเป็นหลักว่าอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ใจเพราะใจเราไม่สามารถบัญญัติความถูกความผิดเหล่านี้ได้พุทองค์บัญญัติไปแล้วใจเราเป็นผู้ไข่แค่รับทราบสิ่งที่องค์ทรงบัญญัติไว้แล้วทําตามโน้มใจตาม อย่ายึดติดนั่อันนี้บอกอย่ายึดติดแต่ก็ทําให้ติดนั่งสมาธิวันละสิบนาทีไปติดอยู่การทําอย่างนั้นติดอยู่การสวดแล้วบอกว่าอย่ายึดติดแล้วก็บอกแผ่เมตตาเมตตาเราใช้ในตอนไหนตอนที่เกิดความโกรธใช่ไหมให้แผ่เมตตาแม้ไม่โกรธก็แผ่ใช่ไหมแผ่เพื่ออะไรเพื่อให้ใจเราไม่ก่อเวรกับใครๆและเพื่อให้แผ่เพื่อให้ใจเราเป็นมิตรเมตีต่อคนทุกคนอย่ายึดติดอย่าคิดมากไม่ให้คิดมากอีกต่างหา คิดมากผิดไหมไม่ผิดหากคิดอย่างถูกต้องพระพุทธเจ้าเป็นคนที่คิดมากที่สุดในบรรดาบุคคลผู้คิดในโลกคิดนี้ออกไปจากหลักเกณฑ์ของสังคมที่เป็นอยู่ในครั้งพุทธกาลคิดนี้ออกจากหลักการและกรอบพิธีและกรอบทางสังคมขนบธรรมเนียมทุกประการที่มีอยู่ในครั้งพุทธกาลนี้ออกไปจากกรอบและคิดเหนือกว่าคนอื่นที่ม่มีศาสดาได้คิดคือคิดเรื่องของปฏิจจสมุปบาททำอันอาศัยกันเกิดขึ้น ไม่มีศาสดาใดคิดเลยในเวลานั้นในหศาสนาภูทั้ง6แต่พระองค์คิดแล้วจนสําเร็จเป็นสมมาสัมพุทธะด้วยความคิดนั้นนั่งคิดอยู่ทั้งคืนจนสว่างใต้ต้นโพพระเจ้าไม่ได้สงบเฉยๆนะคิดกระบวนการแห่งปฏิสุบบาทเพราะเหตุนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอวิชาเกิดสังขารจึงเกิดเพราะสังขารเกิดวิญญาณนามรูปอะไรเกิดเนี่ยอาิยนะภาาัสสะเวทนาตัญหาอุปทานทุกสมุทัยนิโรธไม่ใช่ทุก ทุกโทรมาคับอุปายาตเกิดเนี่ยทำให้อยากนิ่มอยากทราบว่าที่ถูกต้องจริงๆต้องทำยังไงทําแบบที่อธิบายมาเมื่อกี้นี้คือ1ส่วนบทพระปริตที่เป็นอาตานาติยะปรลิต 2. บทพระปริตที่เป็ น, นปรัตนาปริตบทพระปริตที่เป็นขันธปริตและส่วนอิติปิโสเมื่อเกิดความกลัวเท่านั้นไม่กลัวอย่าสวด บางที่บางที่ที่เราไปมีสัญญาณแห่งความกลัวแทรกเข้ามาสวดขึ้นมาเลยเช่นปลาช้าหรือที่ที่มันน่ากลัวหรือไปนอนพักต่างทิมนที่อยู่คนเดียวแล้วเกิดความวิเวกบางเวงขึ้นมาแล้วกลัวว่าอันนั้นจะมาปากฏอันนี้จะมาปรากฏสวดบทนี้ขึ้นมาจนหลับอิทิ่ิโศจนหลับตื่นขึ้นมาจะสดชื่นไม่มีอะไรกลัหาใครไม่สวดบางทีก็อันนั้นอันนี้ก็กกกกกแก๊กหรือเข้า เขาเรียกว่าอัมก็มีจบเรื่องการถามเรื่องการสวดมนต์อ๋อมีพาหุง ม, มีชินบ น, ช น, ชนบัญชรชินนบัญชรไม่ใช่บทสวดที่มีมาในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบทที่สมเด็จโตท่านนำมาใช้ แต่ใช้ในการเสกและก็สวดด้วยทั้งเสกทั้งสวดด้วยเพื่อความเข้มขลังของวัตถุมงคลและเพื่อเป็นเครื่องอุ่นใจหรือผูกใจหรือสร้างความสำัำลิปผลทางใจในบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่มีอยู่ในหลักคําสอนเมื่อไม่มีอยู่ในหลักคําสอนเป็นเพียงแค่สิ่งที่สาวกนํามาใช้ในบางแง่เท่านั้นจึงไม่ใช่หลักที่ถูกต้องจําเป็นต้องสวดไหมไม่จําเป็น ไม่จำเป็นในชีนธรรมชร น, นี้ไม่มีความจำเป็นใดๆเลยที่จำเป็นก็คือการระลึกถึงพระรัตนตรัยนั้นเป็นความจำเป็นมากในหมู่ของชาวฝุดหมดได้หมดมใช่ที่พื่งนอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่นอืประสริของข้าพเจ้าระลึกขึ้นมาย่งก็ได้ ที่เพื่อนอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พื่อประเสริฐของข้าพเจ้าและลึกใหม่อย่างนี้นได้สัญญาณวันนี้เป็นยังไงโอเคโอเคอ๋อแสดงว่าถ้าเอาใส่ในเครื่องเลยจะไม่เป็นไรอันนี้เอาไว้ติดเครื่องเลยก็ดีแสดงมันก็ดีอยู่นะมันก็เวิร์คอยู่คือระบบเครือข่ายม่นมีปัญหาก็ว่าจะเปลี่ยนใช้ดีแท็กก็แล้วใช้ทรูก็แล้วมันก็ยังมีปัญหา นะวันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาในการอธิบายธรรมะที่เป็นเหตุกับผลให้พวกเราได้ทราบขอให้เราได้เข้าใจว่ายาธรศนะเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากคือการรู้ตามความเป็นจริงจําไว้เมื่อใดก็ตามที่เราขาดเหตุผลให้เรากลับไปรู้ตามความเป็นจริงและเห็นตามความเป็นจริงในความเป็นจริงให้ได้แล้วเมื่อนั้นเราจะเข้าใจเหตุผลมากขึ้น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 มีอนุภาพมาลายสิ่งช่้อไราทางไหทั้งปวงออกไปจากชีวิตจงบรรดาลสิ่งดีๆให้เขามาฉุดสู่ชีวิตนุ่นนำชีวิตเขาเราของพวกเราทุกคนให้เป็นผู้ก้าวล่วงเวรภัยทั้งปวงก้าวล่วงความเดือดร้อนทั้งปวงก้าวล่วงความทุกข์ทั้งปวงเข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันาการและอนาคตการเทิน